จริงถอนทุๆๆๆท้งตุ้งธรร ม, มนะจริงๆไม่ใช่เรื่องยากนะถ้ารู้หลักของการปฏิบัติมากงชสเวลานิดเดียวมีการที่จะถอนถอนตัวเองออกจากความทุกข์เป็นลําดับลําดับไปอธรรมของพระเจ้าัามีลักษณะเด่นเพื่อไปเพื่อการลนละกิเลสอันหนึ่ง น, นะอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ผลเร็ว ตัหนึ่งพีอนุรุตยังไม่ได้เป็นพระอรหั น, นต์ท่านก็พิจารณาธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นไปเพื่อความมากน้อยเพื่อความสันโดษเพื่อความไม่คลุกคลีเพื่อศีลด้วยสมาธิเพื่อปัญญาอนะไ<ว>รเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านมาต่อให้อีกประโยคหนึ่งว่าให้ผลเร็วต้องเร็วถ้าพวกเราศึกษาปฏิบัติธรรมมาทั้งหลายปีแล้วก็ยังเหมือนเดิม เลยดีเหมือนเดิมมีเหมือนเดิมเช่นสงบมีแต่ความสุขมีแต่ความสง บ, สงบปีปีก็สบายอยู่อันนี้แสดงว่าทําให้ถูกหรอถ้าเร่งเร็วอย่างเก่าอนี้แย่ที่สุดนะถ้าดีเหมือนเดิมให้ดีขึ้นสักทีพันทุกข์ไม่ไมได้สักทีเราอยา่าพงใจเลยว่าทําถูกต้องผิดแน่เลยเวลาจะทําถูกเลยทําให้จริง ทยอย่อๆแยะ ๆ, ๆเราเห็นสิ่งอื่นสำคัญกว่าธรรมะที่จริงแล้วพวกเราแต่ละคนแต่ละคนนะเราอยากได้ความสุขเราแตเกลียดตะกายไม่หาความสุขเป็นสุดเสียนมือเลยก็ค mm ิดแต่ว่าถ้าทำอย่างนี้จะมีความสุขทําอย่างนี้จะมีความสุขตอนเด็กๆ ก, ก็คิดวเรียนจบแล้วก็คงมีความสุขเรียนจบแล้วก็คิดว่ได้งานดีๆ จะมีความสุขมีเงินเยอะๆจะมีความสุขมีครอบครัวนะมีชื่อเสียงมีโลกมีร้อนมีนี่นะมีแต่คําว่ามีถ้ามีอยานี้จะมีความสุขถ้ามีอย่างนี้จะมีความสุขมีคำว่าท่าท้าด้วยมีด้วยนะสุดท้ายอยู่ไปเรื่อยๆจนแก่จ็บไ้เรื่อยป่วยก็ะสอบกระแสถ้าอยู่เรื่อยวันไหนไม่เจ็บไม่ป่วยคงจะมีความสุขวันไหนถ้าไม่ป่วยนะมีความสุข ป่วยนานป่วยหนักเข้าไปนะคิดต่อไปอีกถ้าตายจะได้คงมีความสุขไปวิ่งหาความสุขเัื่อจะเกิดยันตายเลยนหาดูเร่ๆหาไม่ได้ทีเราไม่รู้ความสุขจริงๆอยู่ที่ไหนคิดว่าความสุขเนี้ยอิงอาศัยคนอื่นองอาศัยสิ่งอื่นอิงอาศัยคนอื่ น, นช่นเราอยู่กับคนคนนี้เราถึงจะมีความสุขอย่างเด็กอยู่ก็อยู่กับพ่อแม่แล้วมีความสุขโตขึ้นมาอยู่กับคู่ของเรามีความสุขเลยจริง หรืว่าต้องอาศัยสิ่งอื่นทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงตําแหน่งหน้าที่ท้าหลุดลอยไปก็ไม่มีความสุขความสุขที่อาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นเนมันทําให้เราเสียความเป็นตัวของตัวเองหรือเราอยู่กับคนไม่มีความสุขเราต้องง้อเขานะเราเอาใจเขาเขาโกรธเราทํายังไง ห, หายโกรธอะไรเงี้ยนะให้มันอาศัยเขาหรืออาศัยสมบัติ ต้องคอยรักษาคอยหวงแหนเป็นภาระมากมายเลยความสุขที่อาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นเนี่ยมันแถมมาด้วยภาระมีภาระมากมายมีบ้านสักหลังนะานส่งต้องนานมันเป็นภาระานส่งเสร็จหลายปีแล้วเริ่มพังแล้วมันชำรุดต้องซ่อมอีกแล้มีแต่ภาระมีสมบัติก็มีภาระต้องดูแลรักษามัมีแต่เรื่องภาระเท่านั้นเอง มีการที่เราจะเที่ยวหาความสุขกลายเป็นว่าเราหาภาระมาเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นคนมีเงินมากๆไม่ได้มีความสุขจริงๆหรือคนมีชื่อเสียงนะไม่ได้มีความสุขอยุ่งมีคนที่แจ้งท่านสอนนะเรามีอะไรเราทุกข์เพระสิ่งนั้นะเราจะเสียความเป็นตัวของตัวเองไปเราเพิ่มภาระขึ้นมาเราตกเป็นทาสของสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราพอใจ มีการแสวงหาความสุขอย่างโลกๆนั้นก็กลายเป็นวนเวียนอยู่ในกองทุกข์เรื่อยๆไปอยากมีความสุขแต่เขายิ่งรนจนกระทั่งเกิดภาร ะ, ะมากมายขึ้นมากลายเป็น ม, มาหาความทุกข์มาใส่ตัวเองซะอีกเขาไดเจ้าท่นสอนให้เราสแสวงหาความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น ความสุขที่ไม่อิงอาศัยคนอื่นไม่อิงอาศัยสิ่งอื่นความสุขที่สามารถเป็นตัวของตัวเองนะปลดเรื่อภาระออกไปแต่ละวันแต่ละวันเป็นะความสุขจากการที่เรามาศึกษาปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นมากขึ้นให้สูงขึ้นเป็นลำดับลําดับไปหันใหม่ๆเรื่องเป็นทุกข์นะชีวิตเรื่อยนทุกนะข์เยอเข้าฝึกเข้าปฏิบัติไปนะความทุกข์จะหล่นหายไปทีละเล็กทีละน้อย ในเวลาไม่นานเท่าไหร่เราจะพบว่าเราไม่ใช่คนเก่าแล้วชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่เหมือนเดิมแต่เดิมเคยเป็นคนที่ทุกข์มากก็เหลือทุกข์น้อยเคยทุกข์นานก็เหลือทุกข์สั้นอันนี้ไม่ใช่หลวงพ่อผู้เราตามใจชอบเพื่อโฆษณาชวนเชื่อเราไปฟังซีดีที่เขาส่งกันบ้านหลวงพ่อเนะี่ยก็ฟังดูแล้วจะรู้เลยว่า เขาเปลี่ยนแปลงตัวของเขาเองได้นะคนที่ศึกษาปฏิบัติธรรมเขาเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยบางคนเดือนหนึ่งก็มีนะเดือนหนึ่ง2เดือน3เดือนอะไรนี่เราเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยแต่บางคนหลายปีก็ไม่เปลี่ยนเราเอาแต่ฟังไม่ออาปฏิบัติสักทีเอาเด็กชิดเอานะพวกที่เนื่องช้าเนี่ยทั้ที่หลวงพ่อสังเกตนะที่ปฏิบัติธรรมแล้วไม่พัฒนาเลยเรีว่าไม่พัฒนานิรันดร์นะ พวกสองสามพ่อพวกนีค<ด>ก้คิดมากวกิเคราะห์อยู่นั่นไหนไม่ลงมือปฏิบัติสักทีการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการเรียนรู้ตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองก็คือกายกับใจนี่แหละแทนที่จาตั้งหน้าตั้งจารเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรื่อยไปแล้วเอาแต่คิดเนะี่ยทำยังไงจะดีทํำยังไงจะดีทํำยังไงจะถูกมีแต่คำว่าทำทั้งนั้นแหละแทนที่จะมรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็น การะทำทั้งหลายที่เกิดขึ้นนะั้นถ้าไม่บังคับกายก็บังคับใจไม่มีอยู่แค่นั้นเองอย่างเวลาที่พวกเรานั่งสมาธิรู้สึกไหมเราบังคับตัวเองใช่บังคับแนละ้วเราไปเดินจงกรมนะเริ่มจากจบังคับกายก่อนต้องวางฟอมต้องนั่งท่านี้ต้องเดินท่านี้ทุกเถียงกันอีกวนะ่าสํานักไหนนั่งถูกกว่ากันเดินถูกกว่ากันท่าไหนถึงจะถูกแค่วางมือเนี่ถเถียงได้ทั้งหลายสำนักนะ บ, บ, บ, นนบางคนบอกนิ้วชี้บอกต้นโป้งชนกันเนี่ยบางคนบอกนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ชนกันรผมมาพวกอย่างนี้ก็มีนะผมอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยนมันเปลือกเท่านั้นเลยเราคิด <c oughs> แต่ว่าทำยังไงจะดีทํำยังไงจะดีมีแต่เรื่องบังคับกายบังคับใจแทนที่จะตั้งหน้าเรียนรู้กายเรียนรู้ใจอย่างที่มันเป็นร่างกายของเราานั่งอยู่ก็ ร, รู้สึกสิว่ามันนั่งอยู่ ร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็รู้สึกสิ่งที่มันยืนเดินนั่งนอนเห็นมันทํางานไปเห็นมันยืนเดินนั่งนอนไปเห็นมันหายใจออกหายใจเข้าไปนี่คอรู้สึกอยู่ที่ร่างกายเห็นร่างกายมันทํางานอย่าไปบังคับมันให้นิ่งๆไปบังคับต้องท่าทางแปลกๆไปบังคับเรา้เราเครียดนะเกอัตตกิีรธรรฐานโดยโยกนัปฏิบัติในตัวตีเลยในการที่จะสร้างอัตตาขีรธรรมฐานโดยโยกเคยได้ยินคำนี้ไหมมันทําเองให้ลําบาก พระพุทธเจ้าสอนในสิ่งสุดโตงมี2องอันนะอันหนึ่งปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปอีออันหนึ่งคือทำตัวเองให้ลําบากพวกชิดมากทาตัวเองให้ลําบากได้ที่จะทะลุมรรผลงาอนอะเรื่องเลยทําตัวเองให้ลําบากได้อะไรได้ความลําบากไม่ได้อะไรไม่ได้สติได้ปัญญาอะไรให้เรียนรู้กายเรียนรู้ใจอย่างที่มันเป็นนะพวกคิดมากพวกคิดมากพวกเจ้าความคิดพวกเจ้าความเห็น ก็ิดแต่ว่าทํายังไงจะดีทํายังไงจะถูกมีแต่คำว่าทำทรมงทั้งที่กริยาหรือเวทในการปฏิบัติที่มีตัวเดียวเองคือรู้ตามความเป็นจริงอย่ยงนี้ปัสนากรรมฐานนะแปลว่าเห็นถูกต้องเห็นจงตามความเป็นจริงงานของเรามีแค่เหตุความจริงเท่านั้นเห็นความจริงของกายกายก็แสดงความจริงอยู่แล้วแต่เราก็ไปบังคับมันจนกระทั่งมันผิดความจริงไปกางความจริงของมันก็คือมันไม่เที่ยง มันหายใจออกมันหายใจเข้ามันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนมันกินอาหารมันขับถ่ายอะไรทมันอยู่ทั้งวันนะหรือว่ามันเป็นทุกข์หายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็ทุกข์ใจกับร่างกายเป็นนี้มีแต่ความทุกข์ร่างกายมันเป็นวัตถุเป็นซ้อนธาตุมีธาตุไหลเข้าละธาตุไหลออก ที่จะเกิดมาเ้องต้อนอาศัยธาตุของพ่อของแม่มาคนละครึ่งเซลล์ที่เหลือมาใสายน้ามาส่อากาศมาใสยธาตาุต่างๆของโลกไม่ใช่ขนไม่ใช่สัตว์อะไรที่อามาตะถาวน์นี่ความจริงของกายก็คืออย่างนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวใช่ตน ความจริงของจิตใจก็เหมือนกันนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้นะจิตใจของเรานะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะี่ความจริงมันเป็นอย่างนี้เราก้คิดว่าทำยังไงจะทำยังไงทำที่ไรก็กลายเป็นบังคับมันทุกทีบนะังคับจิตใจทำไงจิตจะสุข ท, ทำไงจิตจะดีนะเพราะมีมิจฉาิฐีมีความผิด ว่าถ้ามันสุขมันสงบมันดีแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานคนละเรื่องเลยมันต้องเห็นความเป็นไตร ล, ลักษณ์ของของจิตใจนะถึงจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เห็นความเป็นไตร ล, ลักษณ์คือเห็นความจริงของกายของใจนี่นกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้เป็นแค่วัตถุจิตใจเราไม่เที่ยงสุขก็แป๊บเดียวทุกข์ก็แป๊บเดียวนะทุกอย่างเกิดดับตลอดเวลา สิ่งโลภจะเ ก, กิดจะหลงก็เกิดแล้วก็ดับไม่มีหรอกโลภตลอดการไม่มีโสดตลอดการไม่มีหลงตลอดการไม่มีนะสุขตลอดการก็ไม่มีทุกตลอดการก็ไม่มี ม, มันถอยลไปเรืร่อยๆไม่เที่ยงแล้วก็มันทนอยู่ในภาวะแดดหนึ่งไม่ได้เราพยายามจะรักษาจิตของเราให้มีความสุขรักษาได้พักเดียวแล้วมันก็ไม่สุขละหรือจะรักษาให้มันสงบมันสงบได้พักเดียวมันก็เริ่มไม่สงบละมัเนของที่ ถูกบีบคั้ให้เสื่อมสลายตลอดมันเป็นของที่บังคับไม่ได้สั่งให้มันสุกมันก็ไม่สุกนะห้ามทุกมันก็ยังทุกข์สั่งให้ดีมันก็ไม่ยอมดีนะห้ามชัว่วมันก็ชัว่วเคยตั้งใจว่าจะไม่โกรธหมสมมตว่าเราคนนี้จะมาเรารู้แล้วต้องเจอคนคนนี้ยเจอทีไรโกรธทุกทีวันนี้เราจะตั้งใจว่าจะไม่โกรธ แค่คิดถึงยังไม่ทันเจอหน้าก็โกรธละ่ะ ใ, ใจเรื่องของห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้นี่ความจริงของใจคือเป็นอนัตตาเพราะนั้นเราอย่าไปคิดมาก่ปฏิบัติยังไงจะถูกปฏิบัติยังไงจะถูกให้รู้อย่างที่มันเป็นถึงจะถูกในบางที่บางท่านผาารูบาอาจารย์บางองค์ ทางไม่ได้สอนมาให้รู้อย่างที่มันเป็นแต่ท่านให้คิดท่านให้คิดพิจารณานั่นเป็นอุบายเบื้องต้นเท่านั้นเองคนที่เปิดสมาธินิ่งๆเฉยๆครูบาอาจารย์บางท่านจะสอนให้คิดพิจารณาลงเป็นใจลักษณ์ถ้าจะเป็นวิปัสสนาจริงไม่ใช่คิดแต่เห็นความเป็นใจลักษณ์ของกายของใจเพราะวิปัสสนาแปลว่าเห็นคําว่าชิดวิตกนักตรวิตกวิจ า, นจาน ร, รนิจจองที่เรา วันนี้นปรัชนาแท้ๆเห็นเอานะร่างกายเป็นยังไงเห็นเอาปิตใจเป็นยังไงเห็นเอาพวกที่ปฏิบัติยากพวกที่หนึ่งคือพวกคิดมากหาวิธีอยู่นั่นแหละแทนที่จะรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นนะพวกที่สองมันก็ต่อมาจากการคิดมากนะ บ, าง บ, ง บ, างบังคับกายบังคับใจเพ่งพวกติดเพ่งหลายคนนั่งสมาธินะแล้วก็ติดสมาธิเพ่ง อยู่ดีไม่ว่าดีนะไปหัดเพ่งจนกระทั่งจิตใจนี่เครียดทั้งปีเลยเครียดอยู่อย่างนั้นเลยไม่กแข็งทื่อซื้อบื้ออยู่ตลอดเป็นคนดีๆไม่ชอบนะชอบไฟบงจจจจังคับจิตฉุงทื่อเครียดแ ค, ดคบ จ, จ, จิตจะระเบิดจะเป็นบ้าตายเออนานี่ว่าอยู่ดีไม่ว่าดีนะอยากพ้นทุกข์แต่ว่าทําความทุกข์ให้มากขึ้ น, นทุกขี่งกว่าคนที่เขาไม่ปฏิบัติอีกเครียดตลอดวันเครียดตลอดคืนจะยุ้มสักทีก็ไม่ได้ จ้งเง้ยนะจ้องกลนะัวไม่ดีเวีนแท้เลย <c oughs> มีสองจำพวกนะที่วแบบ่าพัฒนากี่ปีกี่ปีมันทาให้สําเร็จนะ <c oughs> พวกนี้พวกคิดมากจะทํำยังไงจะทำไงพวแทนที่จะรู้ลงไปตามโผ ร, รู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นพวกที่สองก็บังคับกายบังคับใจที่บังคับกายบังคับใจก็จอเรื่องมาจากพวกแรกนะคิดไม่าจะทํำยังไงจะถูก ท, ทําทีไรไม่บังคับกายก็บังคับใจมีแค่นั้น หรืส่วนใหญ่ก็คือบังคับทั้งกายทั้งใจก็ <c oughs> เลยหวังว่าจะได้มักผลเหรอทำไปดลวยความโลกทำไปด้วยปัญหาด้วยความอยากความอยากเป็เหตุที่เกิดทุกข์ความอยากไม่ใช่เหตุให้คนทุกข์ให้รู้ไ่ปัญญานี่แหละตัวรู้รู้ลงไปตามความเป็นจริงในกายรู้ลงไปตามความเป็นจริงในใจเมื <c oughs> ่เราสำรวจตัวเองนะถ้าเข้าวัดมาตั้งหลายปีแนละ้วเหมือนเดิมเหมือนเดิม เหมือนเดิมอาจจะเร็วเหมือนเดิมหรือดีเท่าเดิมสงบสงบสงบมีแต่คาว่าสงบสงบอะไสบายว่างนเรื่อเหลวไหล น, นะไม่ได้เดินปัญญาที่แท้จริงเลยมันชอเดินปัญญาไม่ได้นะก็เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นเข้าถึงมรรคผลอะไรไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าท่านฟันธงเลยนะมันบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาแต่อยืนยันปัญญาไม่เกิดนะ อาศัยรักษาศีลเป็ น, นเบื้องต้นอาศัยการฝึกจิตใจให้อยู่กันเนื้อกับตัวเป็นท่ามกลางอาศัยการดูกายดูใจ ม, นนะมันทํางานนะวิธีเดินปัญญาที่เราทิ้งอันใดอันหนึ่งไปเดินไม่ได้จริงเดินปัญญาไม่ได้จริงมันส่วนใหญ่ไปคิดในเรื่องัะนั่งสมาธิอะไรอย่างนี้นะ ถ้าสายหลงพระตัวเนื้อไม่ค่อยชอบนั่งสมาธิท่าเคงเห็นมานานว่าพวกนั่งสมาธิมันทำมิจฉาสมาธิเท่งๆออกท่านสอนพวกติดสมาธิท่านก็ได้สอนมาให้คิดพิจรารณาไม่ใช่อุบายดอกนะอุบายคิดพิจรารณามีความเจริงแล้วทำให้ใครบไกลศิกขาทําไงศีลจะมีทําไงจิตจะอยู่กับเนื้อกับตัวตัวขยิบตัวสมาธิแท้ๆท่านไงจะเดินปัญญาได้เดินปัญญาไม่ใช่คิดเอา เนลินปัญญามันแค่แค่เห็นกาตามที่กายมันเป็นเห็นใจตามที่ใจมันเป็นถึงจะเรียกว่าทําเฉลิมปัญญาที่แท้จริงครูบาอาจารย์จำนวนมากเลยสอนเลยนะว่าในัาสนาเนี่ยให้เห็นเอาให้รู้เอาหลวงปู่ดูลบอกให้จิตเห็นจิตให้เห็นเอาไม่ใช่ให้ไปคิดเรื่องจิตให้จิตเห็นจิตดูจิตมันทํางานนั่นแหละ จิตเห็นจิตแล้วจะเห็นอะไรก็เห็นว่าจิตไม่เที่ยงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะเห็นจิตบังคับไม่ได้สั่งมันไม่ได้สั่งให้ดีไม่ได้ห้ามชั่วไม่ได้นะจิตเห็นจิตเนะี่ยเดินปัญญานะในอย่างหลงพระพุธเคยได้ยินชื่อท่านไหมหลวงพระพุทธานิโยนะท่านพูดชัดเลยนะว่าสมถะเนี่ยเริ่มเมื่อหมดความจงใจนิพพสนาเริ่มเมื่อหมดความจิต หลวปู่ดูลยสานอคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดจะรู้แต่อาศัยจิตสานอย่างนี้คิดเอาคิดเอาคิดนอาจะได้อะไรไม่ใช่วิปัสสนาแต่ว่าเบื้องต้นบางคนก็ต้องอาศัยคิตบางคนไม่อาศัยคิดให้จิตมันติดนิ่งติดเฉยก็คิดพิจารณากายร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกแต่ละส่วนแต่ละส่วนมันเที่ยงมันทุกข์ไม่ใช่ตัวเราคิดคิดไปให้จิตมันเดินเคลื่อนไหวไม่ให้จิตมันติดนิ่งติดเฉยนะ แต่ถ้าประจิตมันสามารถดูกายดูใจทํางานได้แล้วอย่าไปตั้งคิดว่ากายเป็นไงใจเป็นไงให้ดูของจริงนะร่างกายจริงๆกําลังยืนกําลังเดินกําลังนั่งกําลังนอนอยู่นะดูมันทํางานไปจนกระทั่งเห็นเหมือนเห็นคนอื่นเลยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นแค่วัตถุมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งทํางานไปเรื่อยๆแค่นี้จิตใจก็ทํางานของมันไปนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวก็ร้ายสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้นะไม่ต้องเดินปัญญานะ พว่เราทำาทำให้มันครบ ต, ต้องรักษาศีลห้าไ้ก่อนศีลนะห้าจำเป็นมากนะถ้าเราอยากได้มรรคผลนิพพานแต่เราไม่เห็นว่าศีลมีประโยชน์อะไรมันเข้าไปยากศีลเนี่ยทำให้เกิดความสงบจิตใจนะจิตใจจะสงบในสมยัยพุทธกาลนะาคมีพระองค์หนึ่งท่านบวชพระรุ่นเดียวกันนะเป็นพระอรหนะันต์ หรือว่าได้โสดาสกตาคาอนาคาอะไรเนะี่ยท่านไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรสักอย่างสมาธิก็ทําไม่เป็นเลยก็ไม่เป็นเลยหัวโจนานนะจนกทั่งเสียใจมากเลยวันหนึ่งนะเอามีดโกนมาปาดคอตัวเองฆ่าตัวตายนะจะเอาดีไม่ได้ตายซะดีกว่าหลอกกินข้าวชาวบ้านเขามานานนะ้วเอามีดโกนปาดคอไม่ได้ยังไม่ทันจะตายระหว่างนั้นเนี่ยท่านก็นึกขึ้นได้ว่า ที่ว่าเราไม่ได้อะไรเลยนี่ไม่ใช่นะตั้งแตบวดมาเนี่ยเราตั้งใจรักษาศีนมตลอดเลยไม่เคยดังพร้อยเลยพระพุทธเจ้าก็ว่าเราไม่ได้นะว่าศีนเราดังพร้อยตัวเราเองก็ว่าตัวเราเองไม่ได้ยห็นอยู่ชนทั้งหลายก็มาว่าเราไม่ได้เลยว่าศีนดังพร้อยเนี่ยเราตั้งใจรักษาศีลบริสุทธิ์หมดจดมากเลยถ้าท่านคิดถึงว่าท่านตั้งใจรักษาศีลมาสะอาดหมดจดเนี่ยจิตท่านรวมเลย ศิลได้สมาธิขึ้นมาเลการที่คิดถึงศีลได้สมาธิการที่คิดถึงศีลที่เรารักษาได้ดีแล้วเรียกว่าศีลานุสติใกล้สมาธิขึ้นมาพอได้สมาธิที่มาท่านเห็นร่างกายมันจะตายจิตโทงท่านเป็แค่คนดูสุดท้ายท่านบรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ตายอันนี้ต้ององเล็กไหมนิดนะเป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบ นะ <ś led> น้องตายฟรี <ś led> เพราะเลยเสีนก็ยังกำลองกับแรงอยู่ใช่ไหมพเชือดคออุ้ยสีลชฉันดีตอ่อหลหยยังไม่ลดเลยเ <ś led> สียงจะดีอะไรอเล่นการพนันเล่นกินเหล้าเมายาอนะไรเสียยังเราโผ่ ก, กับเพลงดังร้อยอยู่ตัดคอก็ตายเปล่าๆแหละแล้ ว, นะวเราเตั้งใจรักษาศีล น, นะวิธีรักษาศีลงให้ดีมีสติค <K S 1> อยรู้ทัน กิเลสต่างๆมันไหลเข้ามาในจิตนะคอยรู้ไว้ถ้าเรารู้ทันกิเลสนะกิเลสก็ดับไปอย่าความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ทันนะั่นความโกรธจะหายไปเองไม่ต้องไปยุ่งกับมันหรอกไม่ต้องทํำอะไรมันเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสตินี่เป็นกฎของธรรมะนะทึ่พวกเรามีกิเลสได้เพราะเราขาดสติถ้าเมื่อไรเรามีสติรู้สึกกายรู้สึกใจอยูนะ่กิเลสจะมาไม่ได้เลยนะ แล้วเวลาโปรธขึ้นมานะเรามีสติรู้ว่าโกรธความโกรธจะดับเองเพรความโกรธดบบับเนีความโกรธครอบําจิตเราไม่ได้แล้วถูกทําลายไป่สั ก, ก่อนแล้ ว, ลวเราก็ไม่ทําผิดศีลเพราะความโกรธคนทําผิดศีลห้านะทำด้วยความโกรธได้นะด้วยโทสะอย่างเราโกรธเขาเรากรา็าไปทำร้ายเขาไปฆ่าเขาไปขโมยทรัพย์สินที่วแป้งเขาเนะี่ยแกล้งผิดลูกผิดเมียเขาให้เขาเสียใจอะไรทำได้แกลงด่าว่าเขานินทาว่าร้ายเขา แกล้งยกย่องมันนะยกย่องทำยกย่องสรรเสริญเชียรไปเรื่อยหิ้มเสียคนคนได้รับคำยกย่องมากๆเสียคนง่ายมได้แกล้งเขาเท่านั้นจะทำไปด้วยความเกลียดชังก็ได้หรืเวลากลุ้มใจมาแล้วไปกินเหล้าใครเครเห็นไหมพอกลุ้มใจไปกินเหล้ากล่อมใจแล้วโทสะนะไม่ใช่ผิดศีลไปกินเหล้าอย่างนี้กินเหล้าแล้วมันหายกลุ้มใจได้ที่ไหนคุณละเรื่องกั น, นเรื่องเรามีราคะมีความโลภเพราะทำผิดศีลหได้ทั้งหมดอะ มีความโลภผู้เปตนประสลายเขาก็ได้ไม่ใช่ชิงทรัพย์เขาไปขโมยขงังของเขานี่อยากได้ไปผิดรูปผิดเนี้อเขาเพราะด่าคะเพราะความโลภไปพิมพ์เจ้าหลอกลวงเขาเพราะความโลภ ก, ก็ทําได้หรือเวลามีโลภนะใจิตใจมีความสุขนะที่เวลามีโลภบางทีมีความสุขอย่างเวลาพวกเราฉลองเฮเฮฮาฮปีใหม่อะไรเงี้ยนะเขาดวงเขาดาว น่าจะมีโลภะเท่านั้นอ่ะสนุกสนานเพลิดเพลินลืมเนี่ยลืมตัวลืมกายลืมใจเวลามีความสุขส น, สนุกสนานขึ้นมากินเหล้าได้ใช่ไหมฉลองเวลาเป็นทุกข์มันมีโทสะขึ้นมาก็ไปกินเหล้าปลอบใจเวลามีราคาขึ้นมานะเฮฮาสนุกสนานฉ ล, ลี่ยมีกิเลสขึ้นมานะทําผิดศีลได้ทุกข้อเลยข้อเด็ดแต่และตัวแต่และตัวเลย ถ้าเรามีกิเลสขึ้นมาแล้วศียนเราดังพ้อยนะจิตเราจะเศร้ามองจิตจะฟุ้งซ่านจิตไม่สงบหลงคนมีเสียนจิตจะสงบคนไม่มีเสียนจิตไม่สงบเห็นคนที่คิดจะพุทธสลายคนอื่นเนี่ยจิตสงบไหมคนที่เมตตาคนอื่นจิตสงบไหมนี่ต่างกันนะมันถ้าจิตมันเป็นกุศลนะมันมีความสุขมีความสงบจิตเป็นอกุศลจิตไม่มีความสุขไม่มีความสงบจิตเสียนผิดธรรม เมืเราก็ตั้งใจคอยรู้ทันนะกิเลสอะไรเกิดที่ใจเรารู้กิเลสอะไรเกิดที่ใจเรารู้เนาะรักษาศีลได้ง่ายเลยสิ่งมันมาเองไม่ต้องเจตนารักษาศิลที่เจตนารักษารักษายากที่สุดเลยนะ เ, เ, เ <PE AR> <ๆ>หมอก็เผลอเผลอเมื่อไรก็กิเลสครอบมำจิตนั่นเผลอแล้วขาดสตินั่นแหละกิเลสครอบครับมำจิตเหมืนถ้าเราไม่ต้องคิดมากนะเราคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิด <PE AR> ที่ใจเรารู้โลภเกิดขึ้นเรรู้กรธเกิดขึ้นเรารู้นะ หงสั่นเกิดขึ้ น, นรู้หครูก็รู้นะดูไปได้ได้ๆิเดชแตกแล้วก็จิตใจท้อ ส, สบายจิตใจมีศีลสบายคนที่ทำร้ายคนอื่นกับคนที่เมตตาคนอื่นจิตไม่เหมือนกันนะอันหนึ่งจิตใจไม่สุขไม่สบายอันหนึ่งสงบสบายคนที่คิดจะขโมยเขานะคนคิดที่จะให้เขานะความรู้สึกต่างกันเห็นไหม บางคนมาวัดกะจะมาขโมยของวัดเนะี่ยจิตใจส บ, สบายที่ไหนมานแล้วมาเสียสละนะเอาข้าวมาเลยข้าวมาสักถ้วยหนึ่งถุงหนึ่งอะไรเงี้ยนะเราก็ได้กินนะให้พระบ้างให้ญาติโยมที่มาด้วยกันบ้างจนะิตคิดเป็นกุศลมีความสุขคนที่คิดจะเอาของคนอื่นไม่มีความสุขคนที่ให้คนอื่นได้มีความสุขนะคนที่ซื่อสัตย์ในคู่ของตัเองมีความสุขนะ คนที่จิตใจซับซ้อนเลยไม่มีความสุขหรอกต้สัน้นคนโก ห, กหกหลอกลวงไม่มีความสุขคนมีสัจจะมีความสุขนะเวลากโกหกหลอกลวงสังเกตไม่ต้องใช้ความจํามากแต่ไปคิดอะไรไม่เป็นหรอกเพราะเอาหน่วยความจําไปจําหมดเลยว่าโกหกเรื่องอะไรไปบ้างพูดถึงคนนี้อย่างนี้พูดถึงคนนี้อย่างนี้ถ้าเกิดสองคนมันมาเจอกันต้องหาทางพูดให้มันเข้าขกลางๆนะมันุ่งยากมากเลยไม่เหมือนพูดความจริงเลย พูดความจริงนะไม่ใช่อยู่เขาพูดความจริงนะองค์ประกอบของสัมมาวาจามีหลายอย่างนะพูดความจริงใช่ั้ยพูดโดยไม่ต่าไม่ใช่พูดความจรงิรงแต่ว่าเจตนาร้ายอย่างนี้ไม่ใช่นะพูดโดยรู้จักกาลเทศะพูดความจริงไม่รู้จักกาลเทศะก็ถือว่าดังพร้อยเหมือนกันมีทีหลายข้อนะมีห้าข้อไ ป, ป อ, าอ่านเอาเองโตแล้วไม่ใช่ ต้องใหลวงพ่อปอนให้ทุกสิ่งทุกอย่างนีถ้าเรารักษาศีลได้นะ่ะชีวิตเราจะมีความสุขขึ้นเยอะเลยรวยได้ซ้ำไปเพราะว่าไม่ไม่ใช้เงินตามกิเลสนะเรารู้ทันกิเลสรวยกว่าเก่าอีกรักษาศีลได้ท่านสอนนะที่พระชุกสวนนะศีลเลยนะ ส, นะสุขติยันติรักษาศีลแล้วมีความสุขศีลเลยนะโฟขสมามัตถามีศีลแล้วรวยขึ้นนะ อย่าไกินเหลา้าเสียงเงินทำอะไรผู้ไหวเสียเลยนะนี่พูดติ่งยันเปะมีศีลจะไปนิพพานรักษาไว้ก่อนด้วการมีสติรักษาจิตขั้นที่สองก็คือมาฝึกจิตใจของเราตรงที่เรามีศีลอยู่เรื่อยจิตได้สมาธิแล้วไดความสงบนมะีต่อมาเรามาฝึกจิตให้ตั้งมัน่นฝึกจิตใจให้อยู่กับเน้อกับตัวอันนี้ก็อาศัยสติอ รู้ทันอีกเลยรู้ทันจิตที่ไหลไปนะเมื่อวาหนหลวงพ่อเขสอนอันนี้ใครมาบ้างเมื่อวานนี้ผรู้เรื่องไหมเมื่อวานสัมภาษณ์หนยรู้เรื่องแน่นะไม่ต้องเอาใจกันนะนจริงหลวงพ่อเห็นหน้าก็รู้ว่ารู้ไม่รู้นะ <c oughs> หลวงท่านหลวงนี่นะบอกแบบรู้เรื่องรู้เรื่อง <c oughs> โอ้ยไม่ได้เรื่องหรอกว่าจิตใจอยู่กันื้อก็ตัวรู้เนื้อรู้ตัวเออค่อย ไ, ได้เรื่องเลย ตนวลืมจะลื ม, ลมตัวไม่ได้เรื่องหรอกถ้อเราคอยมาฝึกนะจิตเราเคลื่อนไปเรารู้จิตเราเคลื่อนไปเรารู้ตัวนี้เรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่เลยเมื่อสักสาปีก่อนหลวงพ่อออกตะเวณหาครูบาอาจารยนะ์เรียนสากว่าปีมาแนละ้วเฟซหาครูบาอาจารยนะ์นหลวงพ่อเ น, นี่ยสามารถฝึกจิตให้รู้สึกตัวได้ฝึกได้ตม้งนานอนะ ใ จ, จอยู่กันนื้กันตัวจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ออกไปตามวัดต่างๆตามสํานักปฏิบัติต่างๆนะเห็นได้ว่าคนไม่มีสมาธิคนมีสมาธิที่ก็เป็นมิจฉาสมาธิไม่ใช่สมาธิที่รู้สึกตัวไม่ใช่สมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิหรอกส่วนใหญ่ที่นั่งสมาธิกัน น, ะนั่งทํามิจฉาสมาธินังางบังคับจิตให้นิ่งให้สงบแล้วก็น้อมจิตให้ซึมไปเลยนะไม่รู้เหนือรู้ใต้ ไม่คุน้อมจิตไปอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ติดอยู่ในความสุขตรงนั้นนะคนพรณนาจิตว่างสว่างก็อยู่กับความว่างความสว่างใช้ออกข้างนอกไปว่างๆสบายมันมีแต่สมาธิชนิดเนี้ยนะแย่กว่านี้ก็สมาธิประเภทเห็นโน้นเห็นนี้นั่งเสร็จแก็เห็นผีเห็นยักษ์มารเห็นตัวโน้นตัวนี้นะ ไม่เห็นอย่างเดียวคือไม่เห็นกายเห็นใจตัวเองในสมาธิอยู่ประเภทเห็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่กายใช่ใจของตัวเองนี่มันมิชาสมาธิทางนั้นนะสมาธิที่เห็นกายเห็นใจตัวเองได้นัถึงจะเป็นสมาธิที่ดีเป็นสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิสมาธิชนิดนี้จำเป็นมากเลยเราใช้สําหรับการเจริญปัญญาคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจเราต้องมาฝึกให้จิตใจ รู้สึกตัวนะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูแล้วก็มีจิตใจเป็นคนดูแล้วนะก็มีสติรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกา ย, ยของใจไปยัสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนี้แหละใช้เดินปัญญาในขณะที่เกิดอริยมรคนะเกิดอริยผลนะก็ต้องใช้สมาธิชนิดนี้นะเวลาที่จิตจะเกิดมร์เกิดผลเนะี่ยจิตรวมลงที่จิตเน่จิตไม่ไปรวมอยู่ที่ลมหายใจหรอกนะจิตไม่ไปอยู่ที่มือที่เท้าที่ท้องหอกนะ บทีมือเท้าท้องร่างกายทั้งร่างกายหายไปหมดเลยก็ได้ในขณะที่จะเกิดอริยมรรคบางคนไม่หายแต่ว่าจิตจะไม่ได้ไปจ่ออยู่ที่ลมที่มือที่เท้าที่ท้องจิตจะทวนเข้ามาหาจิตตั้งมั่นเข้าถึงจิตจริงๆเลย ดังนั้นเทีนที่เราจะมาฝึกจิตให้มีสมาธิที่ถูกต้องนะให้ตั้งมั่นถึงจิตจริงๆเป็นเรื่องใหญ่นะผู้เป็นสมาธิที่จะใช้เจริญปัญญาและเป็นสมาธิที่เกิดในขณะที่มีอริยมรรคอริยผลแะถ้าเป็นพระอริยบุคคลนะท่านเนเข้าสมาธิพักผ่อนเนี่ยเข้าพักผ่อนด้วยสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตได้นี่ว่าพระสมบัติความเพื่งหล่อลิงผลนั่นแหละผลสมบัติ มันเป็นสภาวะที่จิตสัมผัสปานิพันธ์จิตต้องอยู่กับจิตสมาีิชนิดนี้นะเป็นสมาี่เฉพาะในพระพุทธศาสนานะคนอื่นไม่มีอย่างคนที่เขานับถือพระเจ้าเเขาคิดถึงพระเจ้าจิตใจเขาจดจ่อกับพระเจ้าพระเจ้าอยู่ข้างนอกเจ้าไม่ใช่ตัวเรานี่ มันได้ย้อนข้ามาที่จิตที่ใจตันเองมันสนใจอะไรถ้าจิตจะออกนอกไปมั น, มนเห็นสีชีพไฟไปนั่งเพ่งไฟเพ่งกระสินจิตที่ไหลไปอยู่กับไฟไปอยู่กับแสงสว่างไหลไปแล้วนะถ้าจิตอยากรู้อยากเห็นอะไรนะมันเหมือนใายสปอตไลท์เลยนะมันสว่างรูปตอกไปเนี่ยอยากรู้อยากเห็นเลยมันตามแสงออกไปดูนะโอเคมาธิอย่างนั้นไม่ล้านกินเลยร ส่วนใหญ่ที่นักปฏิบัติทำนั้นทําสมาธิอย่างนั้นนะเครมเคริ้ ม, มลืมเน้อลื ม, ลมตัวไม่ก็ติดสุขไม่ก็ติดเครียดปฏิบัติแล้วเครียดแข็งคือซื่อบื้ออยู่ทั้งปีทั้งชาตินี่พวกทําสมาธิผิดทั้งนั้นเลยกวางการปฏิบัติเราพวกมาฝึกสมาธิให้ถูกนะวิธีทําสมาธิที่ถูกเนี่ยอย่าไปคิดว่าทำยังไงจะถูกให้รู้ตรงที่มันผิด สิ่งที่ผิดมันมีแค่ว่าจิตมันหลงไปไหลไปให้คอยรู้ทันมันหลงไปไหลไปได้สองลักษณะไม่ยากอะไรครคอยเรียนไปหลงได้สองแบบเท่านั้นอ่ะแบบนึงหลงไปสัมผัสอารมณ์ภายนอกหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปรู้รสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกถางใจใน6กช่องทางทัทางตาหูจมูกลิ้นก่ใจนี่จิตไหลออกไปได้6ช่องเลยทั้งหกช่องไหลไปดูไหลไปฟัง เวลารถชนกันในชะ่ไเราไปดูรถชนกันในขณะนั้นเราลืมกลายลืมใจแนะจิตเราไปอยู่บนถนนเราไปอยู่ที่เขาชนกันแนละ้วอย่างนี้ออกนอกไปหมดแล้วนะแต่ว่าใน6ช่องเนี่ยนะช่องที่ออกบ่อยที่สุดเนะี่ยคือทางใจจิตไหลไปคิดทั้งวันตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับเนะี่ยคิดตลอดเวลาใช่ไหมบางทีหลับแล้วยังคิดต่อเลยเไม่ว่าฝันใครนอนไม่ฝันบ้างมีไหมยกมือให้หลวงพ่อดูซิมีใครนอนไม่ฝันบ้า ง, ม, ม, ม, ม, นน ม, างมีสองท่าน สองท่านนี้ไม่ใช่นอนไม่ฝันไม่ว่านอนฝันแล้วไม่รู้มีสองท่านไม่มีหรอกเพราะจิตเ น, นี่ยนะมันพักแป๊บเดียวมันจะขึ้นมาทํางานนะมันอยู่นานไม่ได้ร่างกายเนะี่ยนอนหลายชั่วโมงนะแต่จิตนอนไม่นานเพาะจิตมันนอนเต็มอิ่มแล้วมันขึ้นมาแนละ้วออกมาอารวาสลนะฝันนอนฝันนี้ไปฟุ้งสั้นไปถ้าเราชันนี้ชํานาญในการปฏิบัตินะร่างกายมันหลับทีแรก จิตก็หลับนมงวังไปนะพอจิตมันพักพอนะจิตมันเคลื่อนขึ้นมาเนี่ยสว่างขึ้นมาเลยนะร่างกายดังดอนกลวนคร อ, อกๆ อ, อ, อยู่นะจิตสว่างทรงตัวเด่นดวงเห็นร่างกายนอนอยู่เนะี่ยร่างกายพลิกซ้ายพลิกขวานะเห็นมันพลิกเองนะสั่งให้มันพลิกไม่ได้เลยนะอจิตมันเป็นอย่างนั้นได้ค่อยๆฝึกนะวิธีฝึกนะคือรู้ทำจิตที่มันไหลไปจิตเนี่อรู้บ่อยๆนะไหลไปอีกแบบหนึ่งอีกลักษณะหนึ่งคือไหลไปเพ่ง ไหลไปเที่ยงจ่ออยู่ที่ใดที่หนึ่งหนึ่งพวกที่ติดเที่ยงนั้นจะไปจ่อนิ่งๆอยู่ที่ใดที่หนึ่งพวกที่ติดเที่ยงเนี่ยนะมันจะบางทีนะเห็นสิ่งอื่นเป็นไตรลักษณ์ได้นะแต่มันไปสงวนไปรักษาตัวรู้ตัวจิตเนี่ยให้เที่ยงอยู่ตัวเดียวมันจะนิ่งมันจะเที่ยงอยู่ตัวเดียวเห็นของอื่นไม่เที่ยงเดือดแต่จิตเที่ยงอยู่ตัวเดียวก็ยังใช้ไม่ได้จริงมต้องเห็นด้วยว่าจิตถ้าไม่เที่ยงถึงจะปล่อยได้นะเมื่อจิตเที่ยงอยู่เป็นวิจชาทิฏฐิ เ่ถ้าเรารู้นะว่าจิตบางทีมันไหลไปจิตให้รู้ทันม่นไหลไปเพ่งเราให้รู้ทันนะรวมๆก็คือจิตไหลจิตไหลแล้วให้รู้จิตไหลแล้วให้รู้ถ้าฝึกได้ไม่นานนะพอไหลปุ๊บรู้ปั๊บนั่นจิตจะตั้งนั่นขึ้นเองมีดขึ้นเองนะไม่ใช่สั่งให้ตั้งนะถ้าสั่งให้ตั้งจะแข็งๆตอนที่หลวงพ่อหยุดพูดเนี่ยจิตไปที่ไหน ใครไปคิดบ้างเท่านั้นแหละพวกที่ไม่ยกหรือพวกไม่รู้มีหรอไม่คิดหรไม่มีหรอกคิดหรื ค, คิดตลอดเวลาคิดแล้วก็นลืมแต่ น, นั่ น, น, น, นสองอย่างถ้าไม่ลงไปคิดก็ไปจ้องอะไรไว้อันหนึ่งเนี่ยสองแบบเท่านั้นถูกเลยนั่นไม่ดูหลวงพ่อดื่มน้ําก็หลงไปคิดทำได้สองอย่าง ง่ายๆเช่นี้จิตไหลไปดูหลวงพ่อดื่มน้ําก็รู้ทันจิตไหลไปคิดก็รู้ทันรวมความก็คือรู้ทันจิตที่ไหลนั่นแหละรู้ทันจิตที่ไหลเมื่อไรนะจิตที่ไหลเนี่ยเป็นจิตที่มีกิเลสชนิดหนึ่งเรียกว่าอุทธัจจะเป็นโมหะนะเป็นความฟุงฟ้งสั้นมัฟุ้งแปมันสั้นไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันว่าจิตฟุ้งสั้นนั่นเรามีสติ เมื่อไรมีสติแม้นกิเลสดับทันทีเลยจิตจะเลิกฟุ้งซ่านเมื่อจิตเลิกฟุ้งซ่านจิตก็ได้สมาธิทันทีเลยเห็นไหมวิธีทําจิตให้มีสมาธินะไม่ใช่ไปบังคับให้จิตมีสมาธินะแค่รู้มีสติรู้ทันว่าจิตไหลไปล้วมันฟุ้งซ่านไปแล้วแค่นั้นแหละความฟุ้งซ่านดับเมื่อความฟุ้งซ่านดับจิตตั้งมั่นเรียบร้อยแล้วง่ายขนาดนี้ะจะนั่งสมาธิหวังว่าจิตจะสงบยากไหมยากนะเพราะอะไร ธรรมชาติจิตมีแส่สายตลอดไปบังคับมันผิดธรรมชาติเหมือนแต่ถ้ามันไหลนะแส่สายแล้วสติรู้ทันปั๊บนะกิเลสดับทันทีเลยความฟุ้งซ่านดับฉีจะตั้งมั่นอัตโนมัตินี่เป็นเคล็ดลับของการทำสมาธิอย่างหนึ่งเลยนะนีพวกเราอาศัยสตินี่นะรูธธ้ทันไปกลับบ้านไปก็ได้นะไปห หายใจเข้าหายใจออกอะไรก็ได้จะเข้าพูดออกโทรด้วยก็ได้นะอะไรก็ได้หรือจะขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนจะดูท้องฟองยกอะไรก็เอาทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่หนีไปจิที่ไหลไปมันไหลได้สองอย่างถ้าไม่ไหลไปเพ่งนะก็ไหลไปคิดมีสองอันนั้นทํากรรมฐานแล้วไปทำนะกลับบ้านตัวนี้เรื่องใหญ่เลยถ้าเราได้สมาธิที่ถูกต้องเนี่ยมรักผลมีโอกาสมันไม่มีสมาธิที่ถูกต้องไม่ได้มรักผลหรอก ไัน่นแหละสงบเพ่งเพงครีดเครียดเอาไว้คืออวดคนว่านักปฏิบัติจริงเป็นพวกลลหลงแล้วหลงพอเข้าใจไหมวิธีให้เกิดศีลนะคือรู้ทันเวลากิเลสเกิดกิเลสโลภโกร่งโลภอะไรเกิดแล้วรู้ทันนะกิเลสดับศีลจะเกิดอัตโนมัติวิธีให้เกิดสมาธิเนี่ยก็ อ, อาศัยสติเนี่ยรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่ฟุ้งซ่านก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งนะั่นแหละ เป็ตัวโมหะอปนตัวฟุ้งซ่านถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปไหลไปนะไหลไปคิดไหลไปไปโน่นไปนี่นะไหลไปเพงงนะ่งเลยรู้ทันว่า จ, จิตไหลเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติตัวนี้ต้องซ้อมนะกลับบ้านไปทํากรรมฐานอย่างหนึ่งพุทโธพุทโธก็ได้นะแล้วจิตไหลไปเรารู้จิตไปเพ่งความนิ่งๆิ่งอยู่รู้หรือรู้ลมหายใจก็ได้นะหายใจไปจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจก็รู้แล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมนะ รู้หรือดูท้องฟองยุบก็ได้นะดูท้องฟองยุบจิตไหลไปคิดก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่ท้องไปเพ่งอยู่ที่ท้องก็รู้หรือไปเดินจงกรมนะจิตไหลไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ที่เท้าก็รู้นีห่หัต้องหัดถ้าหัดอย่างนี้ไม่นานนะเราจะได้สมาธิที่วิเศษมากเลยสมาธิที่เป็นลักษณะเฉพาะในคำสอนของพระพุทธเจ้าสมาธิที่เรียกว่าสัมมาสมาธิ ไ <aff le> มชัช่มิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิง่ายใครใครก็มีแมวจะจับหนูมีสมาธิไหมนี่เห็นไหมคนผู้ไล่จะยิงหัวคนอื่นมีสมาธิไหมนี่เห็นแต่สมาธิออกนอกเท่านั้นเลยจ้องจ้องไปที่หนูจ้องไปที่นกจ้องไปที่หัวคนอื่นสมาธมิออกนอกเท่านั้นไม่มีสมาธิเหมือนกันสมาธิมิจฉา อ, ออกขานอกนั่งก็เห็นนอนอ่อนเห็นนี่ออกไป วิทยามมาฝึกนะให้ใจิตใจมันอยู่ที่ตัวเองเมื่อสักสาสิปีก่อนนะหลวงพ่อสอนเพื่อนๆกันตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้ปวชสอนเพื่อนไม่กลุ่มหนึ่งนะทีแรกเพื่อนๆคนสองคนต่อมาก็สักสิบคนแต่ ไ, ไหนนั่งรถตู้ด้วยกันพอเข้าวัดเนี่ยครูบาอาจารย์องจิตวัยเขาก็เข้าไปปุ๊บกทหันกลับเลย <c oughs> อุทานท่านอุทานเนละยว่ามันไปรวมกันมาได้อยังงี้เ <c oughs> ต็มว่วทั้งสิบคนไปรวมมันได้ยังไง 10บคนนี้ไม่ใช่ว่าได้มากผลนะสิบคนนี้แค่ว่ารู้สึกตัวเป็นคิดดูนะเมื่อสามสปีกว่า น, นะฮะคนที่จิตตั้งมัน่นรู้เนื้อรู้ตัวนี่หายากมากนะวัดหนึ่งแทบจะหาไม่ได้สักองค์หนึ่งด้วยสำหรับพระอย่างว่าแต่โยมเนี่ยนะทั้งพระทั้งโยมหายากมากเลยนะั่นสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเพราะเราต้องซ้อมต้องฝึกไม่มีของฟรนะีของฟรีไม่มีหรอกนะที่ว่าแจกฟรีแจกฟรีหลอกๆทั้งนั้นนะนะ ของฟรีไม่มีทุกอย่างต้องทํเอาเองทุกอย่างเป็นเรื่องต้องพึ่งตัวเอ ง, เองนะเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมใครทําใครได้ต้องซ้อมแบ่งเวลานะวันหนึ่ง15นาทีพอไม่ต้องเยอะนะไม่ใช่ว่าตั้งหน้าตั้งฝาวันนี้เดยซ้อมสามชั่วโมงอีกวันก็เหลือสองอีกวันเหลือหนึ่งอีกวันเลิกละเอาไม่ได้สิบ15นาทีได้เลยเอาให้ได้ทุกวันนะ่จะจิตใจจะค่อยเข้มแข็งเข้มแข็งนะสบายจิตเคลื่อนรู้จิตเคลื่อนรู้โอ้มันตั้งมัน่น มีสมาธิมีความสุขนะทีก็ยืดเวลาได้เองใคยทํา15นาทีเดี๋ยวนี้บางคนทําได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงนะทุกคนอยู่ได้หลายๆชั่วโมงก็มีจิตมีสมาธิขึ้นมนาพอได้สมาธิแล้วนะงานขั้นสุดท้ายของเราต้องเรียนนะท่นนี้ต้องเรียนการเจริญปัญญาเนี่ยเป็นทางที่ทําให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นหมดความยึดถือในกายในใจปล่อยวางกายปล่อยวางใจได้ เรายึดสิ่งใดเราจะทุกข์เพราะสิ่งนั้นเมื่อกี้ตอนเริ่มต้นหลวงพ่อบอกแล้วนะเรายึดถืออะไรเราจะทุกข์เพราะนั้นแต่สิ่งที่เรายึดถือเหนียวแน่นที่สุดก็คือกายของเรากับใจของเรานี่แหละถ้าเมื่อไร่หมดความยึดถือในกายในใจเราจะไม่มีความทุกข์ทาใจเหลืออยู่อีกเลยนะจะสะอาดหมดจดจริงๆเลยเนะข้าถึงความบริสุทธิ์ที่แท้จริงเมนะื่อคนจะพ้นความยึดถือในกายในใจได้มันต้องเห็นความจริงของกายของใจถ้าเห็นแล้วจะรู้เลยว่ามันไม่น่ายึดถือเลย อบางคนแต่งงานใช่ไหมก่อนแต่งรู้สึกว่าดีดีใช่ไหมตอนเจีบก็รู้สึกดีมากแล้วก็แต่งแนละ้วโอ้โหไม่ควรเอาหลวมตัวมาเลยเมื่อพอเห็นทุกเห็นโวนแล้วรู้สึกไม่ดีเลยอยากทําอะไรอยากทิ้งใช่ไหมอยากทิ้งอะไรมันจะไปสัทีะทิ้งได้ก็จะดีใจอะไรอย่างเงี้ยจิตนี้ก็เหมือนกันนะถ้ามันเห็นกายเห็นใจมีเป็นตัวทุกข์ตัวโทษมันจะทิ้งนะ มันจะทิ้งของมันเองหน้าที่เราเนี่ยมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจความจริงของกายของใจมีแต่ตัวทุกข์ตัวโทษเท่านั้นเลยมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ความบีบคั้นเป็นทุกข์มีแต่ของบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอํานาจนี่คอรู้คอดูลงไปร่างกายเนี่ยจะดูตัวทุกข์ได้ง่ายร่างกายจะดูตัวทุกข์ได้ง่ายหายใจก็ทุกข์นะหายใจเข้าไปเรื่อยเรืเดี๋ยวก็ทุกข์แลหายใจออกเรื่อยๆเดี๋ยวก็ทุกข์แล้วร่างนานนานก็ทุกข์ เดินเดินนั่งนอนทุกเท่านั้นหิวก็ทุกข์อิ่มก็ทุกขนะ์อิ่มทุกข์ไหมอิ่มทุกข์ยิ่งกินมากเลยทุกข์มากเมื <c> ่อ <oughs> <c oughs> ถ้าดูไปเรื่อยนะร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์คอยดูไปใจเราเป็นแค่คนดูใจที่มีสมาธิขึ้นมาเนี่ยมันจะถอนตัวออกมาจากผู้แสดงนะมาเป็นผู้ดูใจถอยออกมาเห็นร่างกายทํางานโอ้มันทุกข์ล้วนๆเลยใจมันเป็นคนดูอยู่ต่หักนะ เหมือว่าจิตใจเราตั้งมั่นเนะี่ยเราเห็นความสุขความทุกข์ไหลมาไหลไปนะความสุขความทุกข์อยู่นอกๆแนละ้วจิตเป็นคนดูจิตเป็นแยกกับความสุขความทุกข์ออกไปอย่างนี้โลภโกรธหลงมานะจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่เห็นโลภโกรธหลงเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านเลยมันข้ามาไม่ถึงจิตถึงใจเรามาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปไม่มีตัวอะไรเป็นตัวเราสักตัวมันจะของไม่เที่ยงนะทางกายเนะี่ยดูตัวทุกข์ง่าทางใจดูตัวไม่เที่ยงไง สุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงชั่วไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านใจเราเป็นคนดูนะเรามเมานั่งอยู่ในบ้านเราเนี่ยอย่าวิ่งตามเขาไปเวลาใจมันหลงเอาไปหาอารมณนะ์นมันก็เหมือนเราวิ่งออกจากบ้านตามสิ่งที่มอเห็นนะเห็นคนเดินผ่านหน้าบ้า น, านวิง่งตามเขาไปเห็นหมา uh <huh. S 1> เห็นแมวอะไรก็วิ่งตามไปหมดนะทั้งดีทั้งชั่วถ้าเรารู้ทันใจที่เคลื่อนใจก็จะถอยออกมาเป็นคนดูตรงนี้ถึงสําคัญ เขาใจถอยออกมาเป็นคนดูแล้วคราวนี้มีหน้าที่ดูกายดูใจมันทํางานหัแดหแยกธาตแยกขันไปเห็นกายก็อยู่ส่วนกายนะจิตก็อยู่ส่วนจิตความสุขความทุกข์ก็อยู่อีกส่วนหนึ่งกิเลสก็อยู่อีกส่วนหนึ่งกุศลก็อยู่อีกส่วนหนึ่งจิตใจที่ไปเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกาใจ ก, ก็อีกส่วนหนึ่งอย่างผู้ชามผู้หญิงนั่นเห็นความสงสัยที่เกิดไหมเห็นไหมว่าความสงสัยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ได้ ไม่คิดมากแนละเข้าทฤษฎีเนี่งที่หลวงพ่อบอกคิดมากคิดมากยากนานไม่มากเลยไม่ยากเลยนะแค่สงสัยรู้ว่ากําลังสงสัยเนี่ยนะมันจะเห็นเลยความสงสัยเกิดแล้วก็หายไปเกิดแล้วก็หายไปนะทุกอย่างเกิดแลดับที่เราปฏิบัติทำแทบเป็นแทบตายนะไม่ใช่เพื่อเอาอะไรนะแต่เพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างมันมาแล้วมันก็ไปต้องการแค่นี้เองนะงั้นอย่างความสงสัยเกิดขึ้นไม่ต้องไปคิดหาคําตอบเสียเวลา รู้ว่ากําลังสงสัยอยู่ทันทีที่รู้ว่าสงสัยความสงสัยก็ค่อยๆเฟดไปได้หายไปเองนะสแสดงว่ามันเกิดแล้วมันดับให้ดูได้เหมือนกันควนะามรู้สึกทุกชนิดนะที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยเกิดแล้วดับทั้งสิน้นเราต้องการให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ต้องการอย่างอื่นไม่ได้เอาดีไม่ได้เอาสุขไม่ได้เอาสงบนะภาวนาภาวนาเอาดีดีมันของไม่เที่ยงภาวนาเอาสุขสุขมันของไม่เที่ยงภาวนาเอาสงบสงบมันของไม่เที่ยง ของที่เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนนะคือสัจจะคือความจริงความจริงของกายของใจคืออะไรคือมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราต้องการเห็นความจริงงนั้นเราไม่ใช่เอาอะไรที่ผิดความจริงอย่ามุ่งภาวนาเอาความสุขเนี่ยเอาของซึ่งมันต้องจริง นะมันอยู่ได้ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็สลายแล้วมาภาวนะอาความสงบความสงบก็อยู่ไม่นานเดี๋ยวก็สลายเจะเอาความดีความดีก็อยู่ไม่ค่อยจะนานนะความชั่วมกัมกจะนานกว่าอีกะก็อยู่ไม่นานเหมือนกันแหละจริงๆเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันงั้นไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาอะไรสักอย่างเดียวเลยนะไม่ได้ภาวนาเพื่อเอามรรคผลนิพพานด้วยซ้ํำไปะนะไม่ได้ภาวนาเพื่อเป็นคนดีภาณนาเพื่อมีชื่อเสียงเพื่อสบายใจเพื่อความสุขเพื่อความสงบนะ พี่ด้าเจ้าสอนนะสอนเลยบอกว่าที่เรามาปฏิบัติธรรมหรืออย่างสอนพระว่าที่มาบวชเนี่ยไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงนะไม่ใช่เพื่อลาบสักการะนะอันนี้ของหาสาระไม่ได้ไม่ใช่เพื่อศีลนนไม่ใช่เพื่อสมาธินะไม่ใช่เพื่อปัญญานะไม่ใช่เพื่อ อยากจะให้หลุดผลนะอยากจะได้วีมุดนะแต่พอนานไปนะเห็นความจริงด้วยแต่จิตมันหลุดของมันเองนะจิตมันปล่อยของมันเองมค่อยๆฝึกนะค่อฝึกไปถ้ารู้สึกยากไปฟังไม่ทันไปนะฟังซีดีของหลวงพ่อนะถ้าไม่มีซีดีก็ไปดาวน์โหลดเอาในเว็บไซต์เยอะแยๆเลยนะในวีมุตตีดอทเน็ตก็มีนะในสิมาดดอทคอมกนะ็มีแล้วเว็บที่เขา ครอบข้ อ, อ, อไฟป่วยแย่นี้ยเยอะแยะไปหมดเลยแต่ฟังฟังแล้วฟังอีกนะหลวงพ่อเทศที่ไหนก็เทศอยู่เรื่องเดียวนี้แหละค mm ื hmm. อพยายามว่าพวกเราต้องรักษาศีลนะพวกเราต้ฝึกจิตให้อยู่กันเนื้อกับตัวนะพวกเราต้องมาเจริญปัญญาดูกายดูใจมันทํางานนะใจเบ่งแค่คนดูน mm hmm. ทำสามข้อนี้ได้นะวัดผลในชีวิตเนี่ยมีโอกาสและะ mm ้ว hmm. ั้งสามข้อนี้ทําไม่ได้ไม่มีโอกาสหรอก ยากไปไหมไม่ยากฟังไม่ยากทําม่ทำยิ่งยากใหญ่เลยเพราะทําไม่ได้ให้รู้อย่างที่มันเป็นเออรู้บ่อยๆรู้เนืองเนืองท่านใช้คําว่ารู้เนืองเนืองเลยมีกายนะเห็นกายเห็นกายเห็นเห็นอะไรเห็นกายในกายเนืองเนืองเห็นเวทนาในเวทนาเนืองเนือง เห็จิตในจิตเนืองเนืองเห็นธรรมในธรรมเนืองเนืองกายในกายเป็นไงเวทนาในเวทนาเป็นไงมีอะไรมันไปอยู่ข้างในอีกไม่ได้ไปอยู่ข้างในเป็นภาษาบาลีเท่านั้นหมายถึงว่าอย่างเราเรียนรู้ร่างกายนีไม่ต้องเรียนร่างกายทั้งร่างกายนะไม่จําเป็นเลือกมาเรียนบางอย่างถ้ารู้บางอย่างนะคล้ายๆเราเลือกสุ่มตัวอย่างมาเรียนเหมือนงานวิจัยเลยการปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างดูกายเนี่ยไม่ต้องดูทั้งตัวหรอก เหมืนอ่าเราจะทําสอบถามทัศนคติของคนนิวยอร์กต่อเทศมนตรีอะไรอย่างนี้นะไม่ต้องไปถามคนทุกคนสุ่มตัวอย่างถ้าสุ่มตัวอย่างได้ดีนีมันจะ represent ทัศนะของคนส่วนรวมได้การปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกันนะถ้าเราสุ่มตัวอย่างมาเรียนได้ถูกต้องนะเราเรียนส่วนน้อยเราจะเข้าใจทั้งหมดอย่าง น, นี้เราเรียนกายบางอย่างนะเราจะเข้าใจกายทั้งหมด เรีกายบางส่วนบางอย่างนี่เรียวกว่ากายในกายนะเป็นศัพท์เฉพาะนะที่มีโคเทมเวทนาในเวทนาเรียนเวทนาบางอย่างนะจะรู้เวทนาทั้งหมดจิตในจิตเรียนจิตบางอย่างจะรู้จิตทั้งหมดนะอย่างคนไหนขี้โกรธเราดูอยู่2อย่างจิตเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธดูจิต2ชนิดหนงนะจิตโกรธแต่จิตไม่โกรธคนไหนขี้โลภดูจิต2อย่างเองจิตโลภจิตไม่โลภเห็นไหมไม่ต้องดูจิตทุกชนิดนะ จิตนี้ทั้ง89ดิชนิดนะ่ะไม่ต้องไปดูหมดหรอกเราไม่มีจะดูด้วยมนะัเป็นโลกุทธะจิต ส, ส่วนหนึ่งจิตธรรมดาธรรมดานี่ถ้าคนไหนชีโรบก็ดู2อย่างจิตโลบกับไม่โลบเดี๋ยวก็โลบเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โลบเดี๋ยวก็หายด้วยนี่เรียกว่าจิตในจิตนะกายในกายไม่ต้องเรียนกายทั้งหมดเห็นร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่เราเห็นร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่เราร่างกายไงก็ไม่ใช่เราแนละ้ เห็นร่างกายที่ยืนอยู่เป็นทุกข์เห็นร่างกายนั่งเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์เดินเป็นทุกข์ร่างกายทั้งหมดก็เป็นทุกข์ละที่เวลาดูดูอย่างนี้ที่กายในกายนะเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเราถึงสุ่มตัวอย่างมาพระพุทธเจ้าท่านสุ่มมาให้แล้วอย่ในเรื่องสติปัฏฐานไปอ่านเอาเองนะแอสไซน์ให้นะไอ่านเรื่องสติปัฏฐานดู จะรู้เลยว่าท่านสมตัวอย่างมาให้แล้ว เ, เรื่องร่างกายเนี่ยมีเริ่มแต่นอานาปนาสติเริ่มียาบทใหญ่อียาบทย่อยนะ เ, เรื่องธาตุเรื่องปฏิกูลเรื่องอาหารปฏิกูลเรื่องอะไรพวกนี้เรื่องธาตุตรงไทยก็เรื่องธาตุเรื่องเวทนาก็มีเวทนามีความสุข ความสุขที่มีอมิตรหมายถึงมีเหยื่อล่อความสุขที่ไม่มีเหยื่อล่อความสุขที่มีเหยื่อล่อเช่นเราเห็นคนสวยแล้วเราพอใจมีความสุขนความสุขที่ไม่มีเหยื่อล่อเช่นเรานั่งสมาธิอยู่ไม่ได้มีเหยื่อทางตาหูจมูกลิ้นกายมาล่อเลยนะจิตใจมีความสุขขึ้นได้เองคือว่าความสุขไม่มีอมิตรมีความสุขเกิดขึ้นก็รู้ความสุขหายไปก็รู้ก็แค่นี้เองสุดง่ายอ จิตการต้อศาสนาก็ดูไปดูจิตที่มีกิเลสกับ จ, จิตไม่มีกิเลสคนไหนโลภมากก็ดูจิตโลภเดี๋ยวก็โลภเจออะไรก็อยากได้ไปหมดเลยนะเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังเดี๋ยวก็อยากคิดแต่ไม่รู้ความอยากนี่ยจิตโลภเราจิตมันอยากดูเรารู้ทันว่าอยากดูแล้วความอยากดูก็ดับกลายเป็นจิตไม่โลภจิตโกรธขึ้นมานะมีสติรู้ทันก็กลายเป็นจิตไม่โกรธก็เห็นสลับไปเรื่อยทำไมต้องเรียนเป็นคู่ เช่นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเป็นคู่กันร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ถือว่าเป็นคู่นะมีสี่ก็จริงก็ถือว่าเป็นคู่คําว่าคู่เนี่ยหมายถึงเป็นเรียกว่าภาคีมีการเทียบกันได้เปรียบเทียบกันได้เป็นกลุ่มกลุ่มความสุขความสุขเกิดขึ้นความสุขหายไปนี่เป็นเข้าคู่กันความโกรธเกิดขึ้นความโกรธหายไปนี่เป็นของคู่กันเรียนสิ่งที่เป็นคู่คู่ ทำไมต้องเรียนคู่คู่เรียนคู่คู่เพื่อจะได้เห็นใจรักจิตที่โกรธเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับกลาเป็นจิตไม่โกรธจิตที่ไม่โกรธโดยชั่วคราวมันก็ดับกลับมาโกรธได้ใหม่อีกนะหมือไม่ก็เป็นโลภไปอย่างอื่นต่อถ้างคนไหนขี้โกรธแป๊บเดียวโกรธแป๊บเดียวก็โกรธอี่าโยมเนี่ยขี้โกรธปรับปบป๊บปั๊บป๊บเลยนะก็ดูจิตโกรธ น, น, น, นะฮะ ไม่ใช่ไม่ใช่เราก็ทำรูแบบความจริงของโลกเราไม่เรียนข้างนอกนะเรียนที่กายที่ใจเรานี่มันอยู่ในกายในใจราบยศสาระเสริญสุดไม่ใช่เรื่องมีปัสนาไม่โฆสนาต้องเรียนกายเรียนใจของเราเองแต่ถ้ามีราบเรายินดีรู้ทันราบเสียไปล้วเสียใจรู้ทันอย่างนี้เรียกว่ามีปัสนาได้ถ้ารู้ว่าตอนนี้มีราบ ราบหมูราบน้ำตกราบเลย <laughs> อย่างนไม่ใช่วิปัสสนานะ <laughs> โอหวิปัสสนูวิป <laughs> ัสสนึก <laughs> ไม่ใช่วิปัสสนุนควา <im> สมควรนะกว่นะชั่วโม ง, งเทียนนะฟังทีเดียวถ้าไม่เข้าใจนะไปฟังซนะีดียังแล้ฟังอีกเดี๋ยวก็เข้าใจคนที่ไม่เคยเจอหลวงพ่อเลยนะแล้วนะฟังซีดีแล้วพ่อนาเป็นนับจานวนไม่ท้วนนะแต่ที่ไหนที่ไหนก็เจอ ไปบ้านนอกไปเลยนะคนไม่มีการศึกษาอะไรเท่าไหรนะ่นะต้องาวาเป็นนะที่วัดเนะี่ยจะมีพวกหมอพวกวิศวะพวกนั้เยอะแต่ที่วัดหขวงพ่อผมคิดว่าพวกนี้แหมฉลาดนะเรียนธรรมะได้เยอะปรกฏออกไปบ้านนอกนะเจอคนขายเครื่องอยู่ที่ปั๊มน้ํามันเลยเนี่ยต้องาวนาเป็นอนะ่ะ คนชาว บ, บ้านชาว บ, บ้านนแบบนึกไม่ถึงเลยคนบางทีไม่มีการศึกษาเท่าไหร่เรียนชรมาที่หลวงพ่อถ่ายทอดนะไม่ได้ยากเกินแต่คนไม่เรียนออหนังสือเขาก็พอวนาได้อย่างไรพวกเราก็าเก่งนะเก่งกับหลวงพ่อด้วยนะพวกเราบางด้านพวกภาษาอังกฤษเก่งกว่า <c oughs> <c oughs> ่เราสมควรต่อไฟใครจะส่งกันบ้าน อย่างขอยอมเนี่ยเราระมาดระวังถ้าจะถามนะมันจะฟุ้งซ่านเก่งเลยธรรมชาติมันชิดอะไรตอนนั้นไปเรื่อยๆนะให้กันบ้านเลยไม่ต้องถามไปให้กันบ้านแล้วนะเคยรู้สึกในร่างกายบ่อยๆนั่งอยู่ก็เห็นร่างกายมันนั่งเดินอยู่เห็นร่างกายมันเดินนอนอยู่เห็นร่างกายมันนอนนะกับพริบตาเห็นร่างกายมันกับพริบตาไปฝึกอังนี้นะแล้วจะดี ใจดีมากเลยนะแบบไม่ต้องถามพวกกูาถามไม่เลิกมัใช่ไรไม่ยอมคนจะถามยารยอมคนจะถามไรไม่ต้องถามสิกรรมฐ า, านถามมากไม่ได้เรื่องหรอกรู้สึกเนี่ยของโยมนะใจมันมันหิดง่ายมาดูเลยโกรธขึ้นมาก็รู้หายโกรธก็รู้โกรธก็รู้เกิดก็รู้นะโยมโยมขอถามว่ามาเลย จะขอถามหลวงพ่อต่อจากเมื่อวานนะฮะที่ว่าเดินจงกรมมาเดินสิเดินให้ดูเลย <c oughs> อยากถามเรื่องเดิ น, ดนจงกรมจะขอถามเรื่องที่จิตขึ้นมานิดนึงโ <c oughs> ยมจะใจเสียในวันที่โยมจับได้ว่ามันเป็นอกุศล <c oughs> จริงจริงนี้มันควรจะใจเสียมั น, มนเหมือนกับว่าเริ่มต้นของวัน ท, วที่เราเ่าควรเนี่ยไม่มี <c oughs> มีแต่ว่ามันเป็นยังไง ใจเสียรู้ว่าใจเสียเห็นไหมมันใจเสียได้เองอย่างนี้ถือจะเป็นวิปัสสนานะไม่ใช่ห้ามใจเสียไม่ได้นะไม่มีคําว่าควรจะยังไงไม่มีคําว่าห้ามยังไงมีแต่ว่ามันเป็นอย่างไรแล้วอย่างนี้นการที่พอยมจับได้ว่าเอ้ยพอเอ้ยแวบๆบกนี่ที่ตื่นนอนนี่ก็อกุศลแล้วอย่างอย่างนี้ดีแสดงว่าที่าทงาง<ส>ของโยมนี่มันไม่ดีเลยใช่ไหมหลวงพอ่อไม่ใช่ <laughs> ออแสดงว่าสติดี การเปลี่ยนนอปุ๊บก็เห็นเลยจิตเป็นอากุศลรู้ว่าเป็นอากุศลแสดงว่าสติดีแต่ว่าที่เวลาอยู่เโยมจะรู้เนี่ยบางทีมันโยมมองถ้าบางวันโยมตื่นขึ้นมาดูตีสามตีสี่โยมก็กลับไปนอนต่อเพราะคิดว่าร่างกายมันยังไม่พอไอ้อย่างนั้นนี่จริงๆหรือว่าไม่ใช่พอเวลามันตื่นปุ๊บเราก็ควจะตื่นกับมัดแล้วหลวงพ่อบอกแล้วนะว่าจิตมันตื่นจิตมันนอนน้อย เมื่อติ่นแล้วร่างกายต้องตื่นด้วยเดี๋ยวก็โทมเท่านั้นงั้นดูไปว่าสมควรนอนต่อก็นอนไปแล้วตอนนี้ที่โยมจะจะเล่าถวายนี่คือเมื่อกี้เนี่ยฮะตอนที่โยมรอหลวงพ่อเนี่ยโยมเห็นคุณเจสเขาเดินจงกร ม, มโยมก็รู้ว่าเขามีส่วนหนึ่งที่ลักษณะที่เขาเดินคือโยมจะเป็นคนที่ติดเพ่งติดนั่นโยมก็เลยไปขอเดินคู่กับเขาแล้วคุณเจสก็ ก็บอกว่าคุณเพ่งนะอะไรอย่างเงี้ยโยมก็เดินไปหลายๆรอบจนถึงแทบจะรอบสุดท้ายก่อนที่หลวงพ่อจะมานะฮ ะ, ะช่วงที่โยมเดินไปเนี่ยพอโยมโยมเดินไปจนถึงสุดสุดทางปุ๊บหลับตัวเนี่ยโยมเห็นว่าเฮ้ยเมื่อกี้จิตมันเกิดดับไปสามดวงนี่เพราะเราคิดไปสามเรื่องแต่ว่ามันมาเห็นตอนนั้นนะฮะ มันไม่เห็นนะตอนที่เันคิดเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองแต่เห็นความต่อเนื่องว่าจากเรื่องที่หนึ่งไปเรื่องที่สองไปเรื่องที่สามสุดทางอั น, นี่ไม่ใช่วิปัสนานะยังไม่ถึงวิปัสนาถ้าวิปัสนาเนี่ย <c oughs> เห็นตัวนี้แหละเกิดแล้วก็ดับต่อหน้าตัวนี้เกิดแล้วก็ดับตอนหน้านะต้องฝึกไปต้องฝึกถ้าทําได้อย่างก็ดีหลวงพ่อไม่อยู่ที่เชสอยู่ก็ทําได้นะเชสเรียนจากหลวงพ่อมานานเหมือนกัน เมื่อกี้เห็นเขาเดินโยมก็มองเขาเดินด้วยความสบายเขาเดินด้วยความสบายยม่เดี๋ยวขอเดินคู่หน่อยอย่างนั้นนะฮะเนไงเจสดีใจไม่มีสาวขอเดินคู่รถ้าถ้าเดินจมกลุมนะแล้วก็เห็นสภาวะได้ก็ใช้ได้แล้วไม่ใช่เดินเิ่ง กราบนมัส ก, การเจ้าค่ะหลวงพ่อเพรลูกติดประคองแล้วก็แน่นเป็นหมดเลยเจ้าคะอ้เนี่แหละติดสมาธินะเจ้าค่ะติดประคองแล้วทีนี้คุณแม่ชีเมตตาบอกว่าเป็นเพราะลูกดูจิตตรงดูแต่จิตอย่างเดียวแล้วทีนี้คือว่าเมื่อก่อนลูกก็ติดเพลงลมหายใจเวลาลูกธรรมนาปานสติ ลูกก็จะหายใจแรงแล้วหายใจลึกแล้วก็หายใจยาวแล้วเสียงดังรบกวนชาวบ้านเขาทีนี้พอลูกโดนอาจารย์ท้านหนึ่งทักว่านี่ไม่ใช่ลมหายใจปกติลูกก็ทิ้งมันจิตมันก็ทิ้งของมันไปเลย แ, แล้วก็สูรู้สึกเบาขึ้นแต่ตอนนี้ปวดปร ะ, ะคองมันทําให้ลูกแน่นขึ้นมาอีกแล้วลูกต้องไปดูกายแต่จิตมันติดนิสัยที่ว่าพอมันไปดูอะไรแล้วมันชอบเพลงโจ้ค่ะเราอย่าไปอย่าไปใช้วิธีเพลงออกเลยนะมันเพลงของมันเองครับเขไปเลยฟอยอยงยงุงโกเสตินี่ยครูบาอาจารย์ให้คิดเลยนะ คิดเลยผมเนี่ยรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้นะแล้วเขถอนผมออกไปทั้งหมดเลยนะเห็นหนงังศีรษะดูไปหนงังศีรษะเป็นอย่างนี้มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้นะแป่ฟวนแป่สกปรกเลย่นะแล้วก็ลอกมนันออกแไ่ดูหัวกนโหลกเนี่ยไล่ขึ้นไล่ลงนะจากหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวไล่ขึ้นไล่ลงไปได้นี่เป็นอุบายสําหรับคนที่ติดทิงเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะไปทำดู คิดมันเข้าไปเลยนีเหมือนที่หลวงพ่อทูลสอนเลยพวกที่ติดนี้นะท่านก็อจาสอนให้คิดเอาอย่างนี้ครับขอบพระคุณเจ้าค่ะทีครูบอาจารย์มีประสบการณ์เฉพาะตัวท่านนะที่อย่างหลวงพ่อทูลท่านเป็คนชอบนั่งสมาธิผิดนะเพ่งเงาเพ่งเงาแล้วเด็เเบอกอยู่ทีตั้งสมาธิพิ่จะหนาเข้าไปเลยคิดเข้าไปเล ย, ยการสตุ้นมาให้ติดมึนติดเฉยย่าหลวงพ่อเทียนนะ ผมพุทเรียนไปหัดพุโทโธพุธโทโธจิตไม่สงบเลยไม่รวมนะภานาไม่ได้ท่านไปหัดขยับมือก็จิตท่านดีก็เลยสอนว่าอย่าไปพุโทโธนะขยับมือเอาใ <c oughs> นขณะที่หลวงตามมหาบัวนะไม่พุดโธไว้หน้าดีนี่เลยนจะสอนตามที่ท่านทํำกันมาเราก็ต้องดูนะว่าคําสมัยท่านสอนอย่างนั้นต้องดูนะบางทีท่านสอนเพื่อแก้อาการ าการเพ่งเนี่ยปิดเพ่งเนี่ยทานก็ให้คิดพิจารณาเพื่ออะไรเวลาคิดนี่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมามัได้ไม่อยู่นิ่งซึมก็ถือไปไ่ได้ไปคิดดูเสียวยหรือ <c oughs> เออมโหรอเหี่ยเหงียด่อะไรทำไมโมโหมติดนิ่งติอเจ อ, อเครื่องช่วยําคาญหลวงพ่อขอลำาออคลำาญ หลวงพ่อเป็นพวกโทสะจริตนะสมัยก่อนเป็นโยมนะไปเห็นใครไม่ยีนชื่อหลวงพ่อเทียนนะท่านดังแล้วเนะ่ยเข้าไปดูท่านตอนนั้นภาวนาเป็นแล้วนะภาว น, นากับหลวงปู่ดุลยหลวงปู่ดุลรับรองวาภาวนาช่วยตัวเองได้แนละ้วเข้าไปดูหลวงพ่อเทียนเห็นท่านสอนโยมเนะี่ยนว่าท่านข ย, ยับเพราท่านรู้สึกนะพวกฆราวาสที่ไปเรียนกับท่านขยับไปแล้วมีหลายพวก พวกนึ่งท่านี้ไว้เดี๋ยวท่าที่นี่คิดอย่างเดียวเลยนะอีกพวกหนึงเพ่งจ้องอยู่ที่มือผมว่เทียน่ะไม่ชอบให้เพ่งเลยนะพวกนี้ไปเรียนกับท่านกลับไปเพ่งซะอีกตัวท่านก็ทำได้ดีแตระองค์แต่ละองค์นะเราเข้าไปสัมผัสเคยดูว่าประสบการณนะ์ประสบการณ์ของแลองค์นะทาให้ท่านสอนแบบนั้นตีงสะดุดนี่ครูบาอาจาที่ประหลาดนะ อุปนิยนไม่ได้สอนตามประสบการณ์ของท่านท่านมีความสามารถพิเศษเดี๋ยวเข้าไปหาท่านนะไปบอกหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัติให้สอนนะนั่งหลับตาเงียบเลย ป, ปุ๊ชั่วโมงลืมตาขึ้นมาถ้านก็สอนประโยค2ประโยคเธอคำไหนคำนั้นเลยนะถ้าไปทําอย่างอื่นไม่ได้ผลหรอกไปทำอย่างที่ท่านบอกนะแป๊บเดียวก็ได้ผลเลยหนูต้อหลับตาเพราท่านลืมตามาท่านสอนหลวงพ่อ การปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองจบจ <c oughs> บแล้วแค่นั้นแหละเราทํำอยู่สามเดือนคุณบอกให้อ่านจิตตนเองทําอยู่สามเดือนขึ้นไปส่งกันบ้าน <c oughs> ไ, ปไปไปรักษาจิตเอาไว้เด่นดวงอเลยทั้งวันเลยนะจิตเคลื่อนแตรู้ทันปุ๊บกลับมาตั้งอย่างนี้ย เนี่ยคิดว่าเจ๋ง้วได้ดูจิตเห็นมันไม่กระดิกเลยหลวงปู่บอกยังไม่ได้ดูจิตเลยนะไแทรกแสงจิตแล้วบปมคลับใจมันนิ่งนะให้ไปดูใหม่เนี่ยวิธีสอนของครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะโหดมากเลยนะให้ไปทำเมาเม่บอกเราทำอะไรทำอย่างไงนะบอกว่าให้ไปทำอย่างนี้แต่ไม่บอกวิธีให้ไปดูจิตเราก็ไปดูจกนกระทั่งเห็น จ, จิตเจ้าไห เราบอกทำผิดแล้วิดแทรกแซอาการของจิตไปทำใหม่ออกนสียงจริงทำผิดอยู่สามเดือนไปจองมาทำอีกสี่เดือนอีกสี่เดือนท่านบอกเออผ่านแล้วใช้ได้คือดูจิตที่มันทำงานไม่ให้ไปบังคับจิตให้นิ่ง จิตสุขก็รู้จิตทุก็รู้นะสกอยู่ชั่วคราวแล้วหายทุกอยู่ชั่วคราวแล้วหายเห็นทุกอย่างหมุนอย่างนี้เกิดดับไปได้หมุนซ้ำแล้วซ้ำอีกในสุดจิตมันก็รู้ว่ากระทั่งจิตเองก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนมีแต่ของที่เกิดแล้วดับไปดับไปท่านท่านไม่เหมือนคนอื่นนะพวกเราวาสนาน้อยเนี่ยไม่ได้เจอครูบาอาจารย์แบบนั้น แปลกมากยัน ท, ทัศนะของท่านแปลกปกติสาวกไม่มียันอย่างนี้นะบางคนนะท่านสอนให้ไปดูผมเส้นเดียวดูเส้นเดียวด้วยนะสองเส้นก็ไม่ได้นะโอ้ท่า น, นสอนหลวงพ่อคืนมาดูผมเส้นเดียวไม่ดูหรอกรู้สึกหลวงปู่เนี่ยอคติสอนคนอื่นน้อเยอะสอนเราดูผมเส้นเดียว คิดหลายซะอีกทำตัำ้งพรรษาหนึ่งนะั้นไม่ได้อะไรเลยทําอย่างอื่นนะวันนึงกลับมาแล้วก็มไม่รู้จะทำอะไรแล้วมาดูผมเส้นเดียยดูปุ๊บจิตลวมปั๊บเลยจนะิตเครื่องสัมผัสฐานโฉสมาธิได้เลยมันเดินปัญญาต่อไปได้เลยถ้าเราไม่มีอาจารย์อย่างนี้นะเราอยากคร่งครวญว่าทำไมไม่มีอาจารย์อย่างนี้เราไม่มีบุญเพอ <laughs> เราไม่ได้ทำบุญอย่างนี้มามาเจออาจารย์อย่างหลวงพอนะ่อพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องพูดเอาแต่ใจหลวงพ่อเป็นคนที่พูดเอาแต่ใจนะคื <laughs> อพูดแล้วต้องถึงใจเลย <laughs> <laughs> <laughs> เอาแต่กายไม่พอหรอกมาสการ่ะส่งกันบ้านเจ้าค่ะที่เมื่อวานนี้ที่ท่านบอกว่ า, าเพลง่งค่ะก็อลองพยายามกลับไป เถ่อลดในการเพ่งลงมันเห็นก็จะเห็นความคิดมันเข้ามาตลอดเวลาเห็นเจ็ดไหมว่าถ้าเราเพ่งอยู่มันก็ซื้อบื้ออยู่นั่นแหะแล้วก็เครียดๆอย่างนัไม่ได้อะไรหรอกแต่พอเราคลายออกนะเห็นไหมว่าจิตมันเริ่มทำงานเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะเราต้องการตรงนี้ต้องการเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปไม่ใช่ไปบังคับจนไม่มีอะไรมาอะไรไปนี่แหละพอดีแล้วอย่างนี้ถึงจะถูก ตอนนี้พอจะใช้ได้ดยอย่างเจ้าค่ะใช้ชได้แล้แต่ถ้าวันไหนมันฟุง้งซ่านก็ทําความสงบให้จ<ะ>ิตได้พักผ่อนนะจะมาถาให้ทิ้งเจ้าค่ะแต่ว่าพอทำสถาธิแล้วก็ถอยออกมาอย่าไปติดล็อกอยู่เจ้าค<ะ>่ะเ<ะ><ะ>พราะเมื่อก่อนเนี้ยเคยภาวนาได้จนกระทั่งแบบว่าบางทีนอนแล้วเห็นว่าได้ยินกลนนะคะ<อ>ได้ยินเสียงกลนปกติดีแล้วทีนี้เวลาตื่นขึ้นมาเนี้ยพอคิดปั๊บเนี่ยมันจึ๊กๆๆที่ที่ตรงเนี้ยค่ะที่หน้าอกอะที่ริ้นปีนะค่ะเออแล้วมันก็เกิดตรงนั้นแหละ S <S <S <an> กิเลสทเกิดตรงนั้นนะปุดปุ๊บปุ๊บปขึ้นมาความปรงดีปรุงชั่วปุดขึ้นกลางหน้าอกใช่ป่ะคงโบราณเก่ง น, นะอุกสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจจริงๆริงเลยมนะันขึ้นมากลางอกนี่หน่อยเลยไปหาดูสิเลเห็นเลยมันปุดขึ้นตรงกลางอกนี่นหะตรงลิ้นปีนะ๋นี่แหละเวลาปวดก็ฟุ่งขึ้นมาจากตรงนี้นะถ้าฟุ่งแรงนี่ขึ้นครอบหัวเลยถ้าฟุ่งขึ้นมาหน่อยยังมีสติรู้ทันกะดับลงไปแต่เราไม่ได้ฝึกให้ดับนะ ให้รู้มันจะดับไม่ดับชั่งมันเจ้าค่ะแต่ถ้ามันครอบผัวแล้วต้องรักษาสี่ห้าไม่ให้มันครอบแล้วไปตกีกับใครับดีทำถูกกลับกับพระคุณเจ้าค่ะดวกไหยใจบางทีก็อยากพูดหูดวอกไหย <c oughs> เออนั่นแะรู้ทันมันเข้าไปรู้ทันอยู่แล้วนั่นถ้มาวา่าเกินับเก็นดับเออ พูดพูดอย่าพงพูดพูดเมื่อไหร่หลุดเมื่อนั้นเออตั้งอย่าเห็นไหมหลวงพ่อถึงบอกว่าเอออย่าพูดนะพรี่ให้กันบ้านไปเลยใครสคยให้ใหยราพูดแล้วไม่จะหลุดไปเลยเออเดี๋ยวหลุดไปถึงว่ชิงตันเลย ด, ดูจิตไปใช่ดูดดจิตบ้าง ดูจิตบ่อยๆเราชี้โมโหแต่ในขณะเดียวกันนะเราก็รักสวยรักงามงั้นเราก็ต้องดูกายด้วยตอนไหนตัวไหนเด่นดูตัวนั้นถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตถ้าจิตมันว่างๆไม่มีอะไรให้ดูให้ดูกายถ้าดูกายก็ไม่ได้ดูจิตเขาไม่ได้นะพุทโธพุทโธพุทโธไว้ การนมัศการค่ะหลวงพ่อทางนี้ค่ะเมื่อวานนี้ที่หลวงพ่อบอกโยมว่าเป็นคนที่ขี้โมโหแล้วก็รักสวยรักงามมากๆก็เมื่อวานก็ลองกลับไปดูที่บ้านแล้วก็เห็นอย่างนั้นจริงๆหลวงพ่อไม่ได้ใส่ร้ายนะก็จะไม่ได้ใส่ร้ายเลยค่ะเรื่องจริงเพราะว่าเห็นเลยว่าปกติไม่ค่อยสังเกตนะคะมันเหมือนก็พอเราเห็นว่าเนี่ยพอมีคนพูดอะไรที่ละแคะระคายทําให้แทงใจมันพุ่งขึ้นมาพุ่งขึ้นมาพุ่งขึ้นมาตลอดเลยค่ะว่าสังเกตเห็นหลายรอบมากเด็กหนูไปฝึกอย่างนี้นะ คนรอบตัวหนูจะมีความสุขขึ้นค่ะค่ะแล้วก็อย่างเวลาที่แบบว่าหลวงพ่อแนะนําให้ดูกายอะค่ะคือเวลาดูกายนี่สมมุติว่าถ้านั่งสมาธิอยู่อย่างนี้แล้วเหมือนกับว่าได้เหมือนเห็นว่าเส้นเอ็นมันผึงผึงผึงอย่างเงี้ยไดนี่เรียกว่าดูกายป่ะคะได้นีหรืออยู่ข้างนอกเนี่ยกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกแต่เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวค่ะที่หนูพยายามทําอยู่นี่ก็คือมาถูกทางยังค่ะจะดถูกนะแต่อย่าพยายามมาก ค่ะใช่รู้สึกว่าพยายามมามันมากไปตอนนี้น<ช>ความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลว อ, อยู่ที่นั้นให้ทเป็นธรรมชาติธรรมดานะแต่สม่าเสมอสม่ำเสมอเนี่ยสำคัญที่สุดเลยสาคัญมากกว่าหักโหมน ะ, ะหักโหมเนี่ยไม่ได้กินหรอกแต่ถ้าทำสม่าเสมอเนี่ยดี แล้วอย่างบางทีหนูรู้สึกว่าเห็นอารมณ์หลายอย่างเวลาเห็นจิตมันวิ่งวิ่งวิ่งเยอะวิ่งเยอะมากมากเลยค่ะ<ม>หลวงพ่อแล้วมันเหมือนกับว่าเราไปจับไปเห็นมันไม่ทันอย่างนี้ต้องทํำยังไงทำสมถะถ้ามันฟุ้งซ่านจนดูไม่รู้เรื่องแล้วก็ทําสมถะถ้าดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายไม่ได้ฟุ้งไปหมดแล้วทําสมถะค่ะเขาพูดค่ะหลวงพ่อจะปหักให้แน่นนะแล้วจะช่วยตัวเองได้ง่าย่ ขอบคุณขถาหลวงพ่อแค่อยากนั่งมันก็ผิดแล้วล่ะก็ตอนนี้ก็นั่งอยู่แล้วนั่งด้วยความรู้สึกตัวนั่งด้วยมีสตินั่นแหละนั่งเรียบร้อยแล้วไม่ใช่แล้วต่อไปนิยมจะนั่งมันก็จะออกมาฟอร์มนี้ทุกทีแหละตอนนี้มันนั่งอยู่แล้ว จริงมันจะติดงนิ่งๆล็อกๆอยู่นะลืมเรื่องปฏิบัติซะแค่รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของกายของใจไปเรื่อยๆลืมคำว่าปฏิบัติซะอย่างที่อย่างที่เวลาไม่ได้ยินนะอย่างที่เวลาพูดกันว่าให้นั่งในรูปแบบใช่ไหมฮะก็วันนี้ทั้งวันเนี่ยตั้งแต่ตีห้ามายมอยู่ในห้องก็นั่งสลับกันไปสลับกันมากันเดินเนี่ยฮะ มันก็มาอยู่ที่พองยุคที่ท้องใช่ไหมคะแต่โยมจะรู้สึกว่ามันมีตัวหนึ่งมันนน่นแน่ๆตัวนี้นนนที่มันติดฮะมันล็อก<ะ>อย่านิ่งอยู่จะให้หลวงพ่อช่วยดูว่าช่วยเอาออกหน่อยได้ไหมจะเอาออกก็ต้องไม่เอาเข้า <c oughs> หมายถึงว่าอย่าไปทามันขึ้นมาตอนนี้นั่งอยู่แล้ว <c oughs> คิดไว้อย่างนี้นะตอนนี้นั่งอยู่แล้วถ้าเดินอยู่ก็ตอนนี้เดินอยู่แล้วแค่เห็นร่างกายมันเดินไปเลย แต่ถ้าคิดว่าต่อไปนี้จะปฏิบัติมันที่ออกมาฟอมเนี้ยนะมันก็แข็งไปไมีไปคิหรือยังมีฮะแต่เนี้ยรู้ทันอย่างเนี้ยมีไปคิดก็ได้นะเราก็รู้าอาอแล้วเมื่อไหร่ที่จิตเราจะกลับมาอยู่ที่พองยุบ ค, ค, คะนไม่กลับหรอกเพราทสมถะ อ๋อไม่ไม่เอาเราไม่เอาเรื่องอะไรไปเอาฟองยุคเอาแล้วเวลาที่ในซีดีของหลวงพ่อบอกว่าให้หาวิหารธรรมตัววิหารธรรมเนี่ยดูท้องของยุคแค้จิตไหลไปคิดให้รู้ใช่ไหมจิตไหล ไ, ไปเพ่งอยู่ที่ท้องให้รู้ตัวสาคัญรู้ทันจิตต่าหากที่มีวิหารธรรมเนีเพื่อจะรู้ทันจิตนะไม่ใช่มีวิหารธรรมเพื่อจะิดจ้องอยู่ที่ท้องตลอดเวลาไม่ใช่ว่าให้ดึงมันกลับไม่ใช่ไม่ใช่ หลวงพ่อพูดเรื่อยๆนะพูดทุกวันนะถ้าพี่เทศนะพูดโทไปจิตนี้ไปคิดให้รู้นะเมืมม่อกี้ก็พูดรู้ลมหายใจจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้ดูท้องพองยุบจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งท้องอยู่ที่ท้องก็รู้อย่างนี้ต่างหากไม่ใช่ฝังที่จิตแตอยู่ที่ท้องนะกิเลสมันจะอยู่ที่ท้องหรอกข้ากลนบมาสัการ์ดค่หลวงพ่อคือฟังซีดี ดูดีวีดีของหลวงพ่อมาก็สองสามปีแล้วนะก็บางทีก็ปฏิบัติตามค่ะแต่บางทีจิตก็แบบเผลอไปนานมากบางทีแบบเป็นวันสองสาชั่วโมงไม่นานไปก็ให้เผลอเล็กๆน้อยๆยพองามนะค่ะแต่แบบว่าติดทำงานอะไรย่างนี้ถ้าทำงานไม่ไม่ใช่ปัญหานะเขาจ้างเราทางานเขาต้องทางานเขาไม่ได้จ้างเราพอหนาเ่ยโกคราสิ ค่ะแล้วก็บางทีปฏิบัติเนี่ยเห็นว่ามันมีหลายจริตนะคะบางทีก็แบบโมโหง่ายหรือบางทีก็แบบเต็มไปด้วยโมหะหรือบางทีก็แบบโลภอะไรเงี้ยค่ะตัวไหนเกิดที่ดูไปตัวใจเกิดตัวนั้นก็ดับทั้งนั้น่ต้องการตรงนี้ค่ะแล้วก็เมื่อกี้นี้นั่งฟังหลวงพ่อแล้วก็ดูหลวงพ่อเนี่ยเห็นว่าจิตมัน ขึ้นมาแล้วก็แวบไปจิตคือผุดขึ้นมาแล้วก็แวบไปเนี่ยแหละโดยอย่างนั้นแต่ว่าอย่าไปจ้องนะครับางทีพยายามจะดูตลอดเวลาเนี่ยจะผิดเลยคบางทีติดจมไปก็ได้อย่าไปจมลงตรงนั้นดูสบายๆปุกขึ้นมารู้ก็รู้ไม่รู้ว่าช่างมันแต่ว่าอย่าให้หายไปนานถ้ารู้ตัวว่าจิตมันเผลอไปหรือว่าจิตมันจมไปนี่ช่ได้แล้ว แค่นั้นก็จบนะก็รู้อย่างที่มันเป็นก็เริ่มต้นใหม่ใช่ไหมคะใช่รเราเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลาขอบพระคุณค่ะวันดีค่ะหลวงพ่ออืมวันดจีจะถามจะถามว่าถ้าไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยจะเริ่มยังไงคะเว้ย ง, ง่ายปฏิบัติธรรมไม่ใช่ทาอะไรพิลึกพิลึกนี่นะปฏิบัติธรรมอย่างคอยรู้ทันใจของเราไปจะปฏิบัติธรรมไม่ใช่ยากอะไรนะ ก็คือการคอยรู้สึกอยู่ที่ตัวเองบ่อยๆอยาใจลอยรู้จักใจลอยไหมถ้าใจลอยเรียกว่าไม่ได้ปฏิบัติทำนะคอยรู้สึกตัวบ่อยๆเห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะเห็นใจของเราฟุ้งซ่านอะไรอางนี้เขารู้ทันไปเรื่อยๆคอยรู้กายคอยรู้ใจบ่อยๆนะั่นแหละปฏิบัติเมื่อไหร่ลืมกายเมื่อไหร่ลืมใจเ ม, ม, มันนะั้นไม่ได้ปฏิบัติหลุดหรือยังหีไปคิดหรือยัง ฮะยห็ไหมว่ามันลืมจำไม่ได้ตี่อีกไหมกลับนมัสการค่ะหลวงพ่ออยู่ตรงนี้ค่ะอที่พระอาจารย์บอกว่าต้องลงไตรลักษณ์นะคะทีนี้ว่าหนูเองนะคะก็เห็นมันเกิดบ้างแต่ไม่เคยเห็นมันดับเปยตั้หนตาต่อตายไม่ทราบว่าต้องทำยังไงให้มันดูไป่อยๆ ตอนแรกๆนะเห็นเกิดขึ้นมาไม่ทันเห็นดับนะอันอื่นมันเกิดมาบังไปหมดแล้วจริงๆเราฟงสร้างเกิดเร็วอันนี้ปุ๊บยังไม่ทันจะเห็นดับอันไหนอันใหม่มาเกิดแล้วพอไปฝึกเนี่ก็เห็นอันนี้เกิดแล้วอันนี้ดับอันนี้เกิดแล้วดับพอไฟฝึกช้านะจะเห็นว่ามันเริ่มสลายตัวไปเรื่อยๆมันจะเป็นเน้นที่การเสื่อมสลายการดับเราเห็นดับดับดับดับไปเรื่อยไม่ได้เน้นที่เกิด คือคือมันจะเห็นถ้าเราฝึกไบวัมจะเห็นเองใช่แล้วก็พามาเห็นบ่อยๆค่ะแล้วอีกอีกข้อหนึ่งค่ะคือที่ที่พระอาจารย์เคยใช้คำว่าจิตไม่มีกำลังอะค่ะอย่างการที่หนูแบบว่าวันๆอย่างเงี้ยบางทีก็แบบหลงไปทั้งวันมารู้อีกทีก็แทบจะหมดวันแล้วนี่ก็คือการที่เราจิตไม่มีกำลังเพราะไม่ได้ปฏิบัติใม่ไปบม่ได้ปฏิบัติ่ไ้ต่้ปปบบต่่้ ทำ ง, งานมาทั้งวันแล้วตอนเย็นไปทำในรูปแบบว่าสนบไปไง้นนะป่วยการทำ <c oughs> เอ่อก็ตือนให้เร็วขึ้นหน่อยทำตั้งแต่เช้าเลยต่อไกลางวันกินข้าวเสร็จก็ปปฏิบัติบ้างเช่นเดินไปเดินมาคนนึกว่าเราเอ็กซ์ซอร์สยอาหารความจริงเดินโชวกลมไม่ต้องไปเดินกลับไปกลับมาทำขึมุขนะึ้นหลบนะเดินธรรมดานี่แหละเขาจะได้ไม่รู้ม น, นเดี๋ยวขางงว่าทำอะไรยคนนี้ จริงจะแอบสารภาพว่างจริงพระอาจารย์ก็เคยให้กันบ้านหนูอย่างเงี้ยให้ตื่นเช้าขึ้นหนูเองไม่ค่อยได้ทําค่ะต้องต้องขอขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเพราะว่าถ้าไม่ได้พระอาจารย์ที่เคยชี้สภาวะการเผลอของหนูตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนที่หนูเคยเข้าไปกราบหลวงพ่อที่ที่วัด ท, ที่สวนสันติธรรมอะค่ะ<ช>ตอนนั้นคือหลวงพ่อชี้สภาวะแล้วหนูก็ มันก็จิตมันวูบตื่นขึ้นมาแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเมื่อไรที่สติรู้ทันสภาวะที่กําลังเป็นนะจิตจะตื่นขึ้นมนะ<ฆ>เป็นปกติเลยโดยที่ไม่ได้เจตนาให้ตื่นถ้าเจตนาให้ตื่นไม่ตื่นหรอก <c oughs> จิตให้นะั่นดื้อยิย่งกว่าเด็กดื้ออีก<ฆ>สั่งอย่างนี้มันไปอย่างน้นตลอดเวลาสั่งมันไม่ได้หรอกครับขอบพระคุณ จิตตื่นก็คือจิตหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวรู้จักจิตฝันไหมจิตฝันนี้จิตไหลไปในความคิดจิตตื่นนี้คือจิตหลุดออกจากความคิดมาเป็นคนรู้สึกตัวแต่เราก็ห้ามมันไม่ได้ห้ามไม่ได้มันยังไหลยอยู่มันก็ห้ามไม่ได้แต่ว่าไหลแล้วอย่าไหลานานไหลแล้วรู้บ่อยๆหน่อย ต้องซ้อมเนี่ยทำในรูปแบบทุกวันทุกวันนะพุโทโธไปหายใจไปแล้วจิตไหลไปแล้วรู้แบนี้ตอนไพอไหลปุ๊บรู้ปั๊บเล ย, ใ, ล ย, ย, ยใช่แล้วมันจะไม่เป็นเองใช่ใช่แตตอนนั้นก็ยังเสื่มได้อีกเพราะฉะนั้นต้องซ้อมทุกวันน<อ>ยัมไม่ใช่โลกุตระ เหมือนกันเหมือนกันคุณเล่าขาไหลครับ<อ>ผมกาญจรวสการหลวงพ่อครับมม ค, ออคือผมมีคําถามทีนึงคือผมเพิ่งเริ่มปฏิบัติใหม่ใหม่มากเลยครับแล้มผมอยากรู้ว่าเราจะรู้ได้ไงครับว่าจิตเราตั้งมั่นแล้วือว่าจะรู้จิตตั้งมั่นเนี่ยนะต้องรู้ทันจิตที่ไหลไปถ้ารู้จิตที่ไม่ตั้งมั่นก่อนอ ม, มันไม่ตั้งมัน่นเรารู้ว่าไม่ตั้งมั่นนะมันจะตั้งมั่นเอง เราต้องทำกลับข้างตลอดเลยเราอยากให้จิตตั้งมั่นเนี่ยจะไปสั่งให้จิตตั้งมั่นไม่ได้ให้รู้ทันเนี่ยตอนนี้ยจิตไหลไปคิดันะถ้ารู้ทันจิตไหลไปคิดนะจิตก็ไม่ไหลตรงที่ไม่ไหลมันก็ตั้งมั่นแล้วแหละเนีย่ยไหลไปคิดได้ยังเนะี่รู้ทันอย่างนี้บ่อยๆเดี๋ยวมันตั้งเองให้มันตั้งเองนะถ้าจงใจไปตั้งอย่างแน่นแน่นนะผิด แลวอย่างหนึ่งคือคําว่าภาวนาเป็นภาวนาไม่เป็นคืออะไรครับภาวนาเพื่อเจริญ น, นะเจริญสติมีสติอยู่เห็นกายเห็นใจเขาทางานเห็นใจรักเห็นนี้คภาวนาเป็นไม่เป็นแล้วไปนั่งเพ่งนิ่งๆอยูอย่แล้วแปลว่าถ้าเกิดเรารู้กายรู้ใจว่าเรากำลังคิดเรากําลังไปคิดโน่นโน้นไปก็แปลว่าเราภาวนาเป็นใช่รู้สึกบ่อยๆรู้สึกบ่อย <นะ S 2> เนี้ยไหลไปคิดแล้วลรู้สึกแล้วแค่เนี้ยรู้แบบอย่างนี้บ่อยๆนะที่สึกอยู่ใช้ได้นะไม่ใช่ว่าทําไม่เป็นเพราะว่าจิตไหลไปคิดเรารู้ทันจิตไหลไปคิดเรารู้ทันบางคนอยู่จนแก่งงากๆยังไม่เคยเห็นจิตไหลไปคิดเลยฝึกสมาธิเอาอย่างเดียวสงบอย่างเดียวไม่เคยเห็นจิตที่เคลื่อนไปเลย ไ, ได้เรื่องหรอกแล้วลองรู้แล้วเราเอาไปทําอะไรครับมันจะรู้สึกตัวขึ้นมานะ จากนั้นเนี่ยเราเรามีจิตที่รู้สึกตัวแล้วนะใช้จิตที่รู้สึกตัวไปเจริญปัญญาไปเรียนรู้ความจริงของกายของใจถ้าจิตมันเป็นคนดูได้นะมันจะเห็นว่าร่างกายมันทํางานจิตจะเป็นคนดูความสุขความทุกข์ที่ผ่านมาจิตเป็นคนดูกิเลสที่ผ่านมาจิตเป็นคนดูท้ายจิตมันจะถอยตัวออกมาถอนตัวออกมาจากทุกสิ่งทุกอย่างได้อโอเคครับขอบคุณมากครับบินตัวย่างเฮส่งการบ้านเสร็จแล้วเผล อ, อยัง ออหลบบับนำ้ำมาสการเจ้าค่ะว่าอยากจะถามเรียนถามว่า เ, ออเวลาที่เราได้ทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยนะคะเราจิตเราจะรู้สึกว่าเบิกบานนะคะมีกําลังเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราสูญเสียสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เรารักไปหรือว่าเสียดายไปเนี่ยจิตจงมีความรู้สึกว่าเศร้าหมองแล้วก็มันปวกเปรียกแบบคือมันแค่มันอ่อนแอไม่ทราบว่าเขาเรียกจิตตก หรือเปล่าเจ้าค่ะแล้วก็แล้วแล้วการที่เรามีความรู้สึกอย่างเนี้ยเราจะทํายังไงที่จะพื้นคืนจิตขึ้นมาให้เป็นปกติน่ะเจา้าค่ะไฟังซีดีหลเงพ่อบ่อยๆเองย่อมจะเป็นเองจริงจิตไม่เคยตกไปไหนหรอกจิตมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปตรง น, นั้นแหละไม่มีตกหรอกเราก็ดูไปตอนนี้ใจห่อเหี่ยวรู้ว่าใจห่อเหี่ยวดูมันเห็นคนอื่นห่อเหี่ยวเราเป็นแค่คนดู คล้ายๆสึกนี้บุญกุศลก็ไม่เหมือนกันนะควาบุญบุญมป็นชื่อของความสุขความสบายใจกุศลเป็นความฉลาดอย่างเราเอาของมาถวายพระปรับเพิ่มใจได้บุญอาจจะไม่ได้กุศลก็ได้คือยังไม่ฉลาดคิดว่าเอาของมาใส่บาตร บ, บนะ่อยๆแล้วคงได้มากผลเร็วๆหรือรวยอันนี้มีรบแลนะ้วเห็นไห้มันทาได้รอบไม่ฉลาด ทำบุญด้วยสติด้วยปัญญานะเป็นกุศลขึ้นมาสําคัญกําลังมันจะแรงพระเจ้าไม่ได้สอนบอกว่าให้ทําบุญให้ถึงพร้อมนะเขาบอกว่าไม่ทําบาปทั้งปวงทํากุศลให้ถึงพร้อมหมายถึงว่าไม่ว่าจะทําอะไรนะต้องทำไปเพื่อลดละกิเลสนะถ้าทำไปเพื่อเอาแล้วก็ ไ, ได้แต่บุญเนะไม่ได้กุศล เออค่ะขอขอเรียนถามเป็นคำถามที่สองนจงคะคือในขณะที่เราพยายามหลังจากสวดมนต์แล้วเนี่ยเรากออ็นั่งสมาธิเนี่ยทีนี้เวลาที่เราหลับตาเนี่ยเราจะเห็นออแสงสว่างเนี่ยนะคะออแต่บางครั้งเนี่ยเราหลับตาแล้วเราจะเป็ น, นออมันมีตะขาบที่เราเคยไปฆ่ามันโดยไม่ได้บังเ อ, อิญเนี่ยมันผุดขึ้นมาเจ้าค่ะออแล้วเหมือนกับว่า เรามีความรู้สึกว่าเราบาปที่เราไปฆ่ามันขอขออนุ ญ, ญาตแผ่ส่วนบุญไปนั่งสมาธิแผ่ส่วนบุญไปปฏิบัติแล้วก็แผ่ส่วนบุญกรรมมันมีผลจริงๆนะหลวงพ่ปฏิบัติไม่ทําร้ายสัตว์ตอนเด็กๆนะที่ข้างบ้านมันมีต้นตะขบอยู่ต้นหนึ่งนู้จากต้นตะขบไหมที่มีลูกเล็กๆนะครั้งขาวแนละ้วมันชอบมา กลคืนนะข้างข่าวมาชมไปชมมาแล้เด็กอลอสนเห็นข้างคาวพมันวิ่งเร็วบินเร็วอย่างเงี้ยไปตีมันทันไหมเราลวดมันแปลงๆนะเมื่อเมื่อเนสปริงไหนแบบที่ติดม่านติดอะไรแปลงๆอยากจะตีมันฟุบฟุบไม่เคยทันเลยมีวันหนึ่งก็ให้มันบินเร็วเงี้ยถ้าเรามันมาแล้วเราตีมันไม่ทันเราต้องตีก่อนมันมา เกิดไว้มันมาโดนปุ๊บเขานะตกกลางหลังมันน่ะตกลงไปที่พื้นนะแล้วมันก็ขยับปีกมเจ็บมันน่ะหัวใจเรานี่ฟอเลยนะเพะนั้นเด็กเล็กนะตอนเด็กไม่ใช่สงสารมันมากเลยแต่แล้วสักพักหนึ่งมันก็บินไปมันก็ไม่กล้ามามันโตแล้วมันนั่งภาวนามันจิตรวมสบายเลยนะสงบ ได่ยินเสียงเหมือนคนเอาแสมาฟาเลยฟิ้วเลยนะออกลางหลังเลยโอ้ยเจ็บเลยใจสัน่นทิ้ก ๆ, ๆ, ๆเลยนะเมื่อเห็นไอ้ขาวๆนี้โอ้เราใช้กรรม้นะนันทำกรรมไว้ยังไงก็ต้องใช้นะไม่ตีตะขาบ <c oughs> ก็ต้องโดนนะม <c oughs> ีไม่ได้หรอกแต่ว่ามันมีหลักอยู่ข้อหนึ่งนะถ้าทำกุศลแล้วเนี่ยให้คิดบ่อยๆ ถ้าทํำอกุศลนะอย่าไปคิดถึงมันอีกเพียงแต่ตั้งใจว่าจะไม่ทําอีกทุกคราวที่เราคิดเนะไม่ว่าจะเป็นบุญหรือบาปนะจิตจะขึ้นวิถีที่เป็นกุศลและอกุศลซ้ำขึ้นมาอีกอย่างเราทําบุญถ้าเราเคยฟุตโธ้ฟุตโตนะได้ตั้งหนึ่งชั่วโมงทุกครั้งที่คิดเนี่ยได้บุญทุกทีเลยหรือเคยใส่บาทรหนึ่งทพีทุกครั้งที่คิดเนะี่ยได้บุญทุกทีเลย เคย<ด>ปีตะขาบหนึ่งตัวคิดทั้งวันเลยคือตีหลายตัวนะพฤตกรรมจิตมันจะขึ้นวิถีซ้ำซ้ำ้ไ ป, ไปเป็นอกุศลขึ้นมะาเพราะงั้นอะไรที่ไม่ดีเนี่ยตั้งใจว่าเราไม่ทำอีกมันก็ทิ้งมัแต่เราทลอุญที่ส่วนกุศลให้ตะขาบไปโนะยมสุเจ็ิญไหยโยมขยันถามมากเลย ให้รู้ทันใจโอ้ให้อะไรค่เราไม่ภาวนาเอาเข้าตัวหรอกภาวนาแล้วก็อุทิศส่วนบุญพระเจ้ามันสอนเลยว่าภาวนาแล้วให้ไปรวบรวมเข้ามามีแต่ททุกําบุญแล้วก็อุทิศส่วนบุญเมื่อก่อนบางคนนะขี้เหนียวถึงบุญแล้วไม่กล้าอุทิศส่วนบุญนะกลัวบุญหมด ใครมีพระนาคเสณใครได้ยินชื่อไหมพญามิลินไปถามพระนาคเสณบอกว่าทำบุญแล้วอุทิศส่วนบุญบุญก็หมดสิไม่บอกไม่หมดนะทําบุญเนี่ยมันเหมือนเราจุดเทียนขึ้นเล่มหนึ่งเมื่อเราไปให้คนอื่น้พระต่อเทียนทุกคนไม่มีเทียนคนละเล่มเปนแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยจุดคนละเล่มขึม้นมาต่อกันไปเรื่อยๆใส่ของเราก็ไม่ได้มืดลงนะแต่ภาพสว่างในภาพในวงรวมเนี่ยสว่างขึ้น บุญของเราก็มากขึ้นนั่นอยญ่ขี้เหนียวบุญนะเพราะว่าเราทําคุณงามความดีทั้งหลายเนี่ยเพื่อลดละกิเลสไม่ใช่เพื่อเอากิเลสอย่างบางคนนะในเมืองไทยมีเชงเมงเ้งอะไรเงี้ยเยี่ยงเนจุดทูปก่อนนะโง่เยี่ยงปักถ้าปักก่อนแล้วจะเฮงโง่โง่ <laughs> ทาอะไรมีแต่เรื่องกิเลสมันจะปักทูปเพรามันจะได้บุญตรงไหน ตักเราไปก่อนมันมีเศษหัวใส่เดือนก่อนก็ได้หลวงพ่อคะหนูมีคำถามเรื่องการปฏิบัติยกมือหน่อยอยู่ที่ไหนว่ามาคือที่หลวงพ่อบอกว่าให้กลับไปทําสมาธคะ่ะไม่ทราบว่าหลังจากนั้นคือพยายามดูจิตของตัวเองแล้วหนูสามารถดูกายหรือดูเวทนาทางกายด้วยได้ไหมไ ด, มได้ถ้ามีสมาธิพอนะเนดูกายได้หนูควรจะดูกายด้วยคือ<น>อะไรเข้ามาก็คือดูสิ่งนั้นใช่ไหยคะ ส่วนการดูกายนี่คือดูอิริยาบถของกายดูอิริยาบถไปก็ได้ขอบคุณค่ะดูกายด้วยนะเรักกายมากมีคำถามภาษาอังกฤษครับผมถาภาษาอังกฤษหลวงพ่อหลวงพ่อตอบภาษาอังกฤษ no English ความผู้ชานหน่อยตัไม่ได้จริงนะอ๋อ I'm lying down meditation I've been trying to relax my body, and I haven't gotten to the point where, you know, I can fully let go of everything. And uh, like, is lying down meditation a positive way to, you know? Okay. Ah, หลวงพ่อครับเขาบอกว่าชอบนอนทำสมาธิแล้วก็พยายามทีจะผ่อนคลายให้มากที่สุด แล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางทุกอย่างสัตว์ผักหนึ่งแต่ว่าอตอนนี้ก็คือทําตัวให้สบายได้แต่ไม่ไม่ขนาดไม่ขนาดนิ่งหรือ ว, ว่าไม่ขนาดปล่อยวางอะไรทําสบายได้นั้นก็ได้สมาธิได้ความสงบนะนนก็สงบเดี๋ยวไปติดมันดูก็แล้วกันถ้าออกมาจากตัวนั้นนะใจก็ติดสมาธิอย่างตอนนี้ก็ติดสมาธิเองนะจะไแก้ทีครับได้ครับเซสเซส right now you're Your too You mind is little too still. i n a t Can e t h t sort this you of samadhi? have you notice that your mind, from like when you were a kid and you had no idea of meditation practice, and now that the mind isn't the same? Like now there's sort of a stillness stuck there. Yeah. yeah. Okay. Yes. We'll take care of it. Okay. ใช่ใช่ที่หลวงพ่อบอกเราอย่าพูดใช่พูเราโนนเหมือนโยมเนี้ยพูโยมเนี้ยพูดโน่นจะไปพูดเราวใจจะหนีของโยมวันนี้ดีขึ้นเยอะเลยจิตมันมีธรรมชาติเป็นไปตามความเคยชินเราเคยชินจะฟุ้งซ่านมันจะฟุ้งเก่งเคยชินจะโกรธมันจะโกรธเก่งเคยชินจะรอบมันจะรอบเก่งนะเคยชินจะมีสติมันจะมีสติเก่ง เรามาสร้างความเคยชินใหม่นะเคยชินที่จะรู้สึกตัวไม่ใช่เคยชินที่จะหลงตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราปล่อยจิตปล่อยใจของเราหลงอยู่ตลอดเวลาส่วนใหญ่ก็หลงไปคิดนะนั่นจิตใจจะคุ้นเคยกับความหลงไม่คุ้นเคยกับความรู้สึกตัวเราพยายามมาสร้างความรู้สึกตัวจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปแล้วรู้ฝึกนี้บ่อยๆทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งก่อนพุทโธก็ได้พุทโธพุทโธจิตไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้นะ แต่เขาไชอบพูดพลอเรู้ลมหายใจไปจิตไหลแล้วก็รู้ก็ฐานอะไรก็ได้นะแล้จิตไหลแล้วรู้ใช้หลักเดียวกันนี้มันก็จะไม่มีปัญหาหรอกว่าสายไหนดีกว่าสายไหนะสายไหนถ้าทําถูกนะถูกหลักถูกเกณฑ์แล้วจิตตั้งมั่นขึ้นมาก็เหมือนกันถ้าทุกสายแหละถ้าทําผิดก็ผิดหมดนะั่นแหละไม่ดีไม่เร็วใดกว่ากันเน้นเรียนธรรมะอย่าใจแคบตรงวิจีของเราเท่านั้นที่ถูกไม่ใช่นะ กิเลสมากไปไปดูของเราไปด้วยให้จิตมันเคยชินที่จะรู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวได้แล้วศีล ส, สมาธิปัญญาจะเพิ่มขึ้นนะถ้าขาดสติสุดตัวเดียวนะจิตใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัวเลยล่องลอยไปขาดสติขาดสมาธิไม่รู้สึกกายไม่รู้สึกใจมีศีลศีก็ขาดมีสมาธิสมาธิก็เสื่อมนะเดินปัญญาก็ไม่ได้จริงกลายเป็นจิตฟุ้งซ่าน ปัญญาไม่ใช่เรื่องคิดเอาต้องระวังนะครูบาอาจารย์บางองค์สอนให้คิดนะเื่แก้พวกที่ติดนิ่งหนะึ่งถ้าติดไม่ได้ติดนิ่งนะเห็นกายเห็นใจทำงานเราก็เห็นเอาถึงจะเป็นวิปัสสนานะจับหลักให้แม่นๆอันนี้เขาพอสมควรนะ